อระเด็นต่อไปก็จะพูดถึงในเรื่องของศีลต่อในครั้งที่แล้วก็พูดถึงตัวกุศลศีลที่ว่าโดยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะต่อไปที่จะพูดต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของศีลที่จริงมีหลกักศีลอยู่อย่างหนึ่งก็คือศีลที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของวินยัยที่พูดถึงสอนในเรื่องของสิงค้าและกัสูตร ในสิงคายและกสูตรเนี่ยเป็นหมวดที่พระตถาจารย์เก่าวพระเจ้าตรัสไว้เป็นขีวินัยคืขวินัยของครื่อขัดศีลสําหรับชาวบ้านสําหรับประชาชนในหลักการตรงนี้เป็นข้อปฏิบัติที่เมื่อเข้าใจเรื่องการเดินกุศลศีลได้ดีเพียงพอแล้วเนี่ยความเข้าใจในการที่จะปรุงแต่งสภาพจิตใจตนเองให้เป็นศีลได้จริงๆ ทั้งหมดเหล่านี้ก็มาจากตัวสมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนั่นแหละแล้วก็พัฒนาสู่สมมาสังกปะความดำริที่ถูกดาริที่ไร้การไร้พยาบาทไร้การเบียดเบียนเกิดเจืนิสมนัสิกานเกิดขึ้นแล้วก็ปลุกเล้าเลากุศลแระททั้งหลายทําพรหมวิหารและทให้เกิดขึ้นคือเมตตากรุณามุติตาและอุเบกขาให้เกิดขับเน้นออกมาเป็น ภากธรรมะภาคปฏิบัติกลายเป็นหลักสังหาวัตถุในการที่เกื้อกูลขับเน้นออกมาในด้านของทานปิยาวาจาอัธาจริยาและสมาณตต า, ตาเป็นต้นฉะนั้นพอมาพูดถึงในเรื่องของชาวบ้านโดยทั่วๆไปเนี่ยเรื่องขีวินยัยวิันของเครือหันเนี่ยพระตถาคาจารย์ท่านก็พูดถึงว่าปิวิไนของผู้ครองเรือนในเรื่องของการปลอดจากความชั่ว14ประการ หมวดต้นๆเลยท่านพูดถึงในเรื่องของละกรัรมมกิเลสข้อเสื่อมเสียของความประพฤติเสียหายสี่อย่างในหลักของกัมมกิเลสเนี่ยหลักการประพฤติในส่วนที่เป็นข้อเสื่อมเสียหรือข้อเสียหายต่างๆที่เรียกว่ากรัรมมกิเลสนี่แหละก็หนึ่งก็คือว่าอย่างปาณาทิบาตอาทินาทานกาเมสุมิชฌาจารมุสาวาตในสี่ข้อสี่อย่างนี่นะอันนี้เรื่องศีลก็ได้พูดมาแล้วอันนี้เป็นหลัก ของเครื่อหัตถ์ที่ควรจะอยู่ด้วยกันและก็ไม่กระทําบาปประกรรม4สถานะก็คือว่าในขณะเดียวกันการที่จะสามารถเข้าอยู่ในโลกกว้างหรือว่าอยู่ในฐานะของความเป็นพ่อแม่เป็นลูกภูตาย่ายายาเป็นต้นเหล่านี้ก็ต้องละอคติทั้ง4ประการก็มีชั้น ท, า ค, ออทาคติลำเอียงเพราะชอบโทสาคติลำเอียงพเพราะชังโมหาคติลำเอียงเพราะเข่าพยาคติลำเอียงเพราะกลั อคติเหล่านี้ถ้าใครมีอคติเหล่านี้ก็มิยังไม่คู่ควรก่อนที่จะเป็นบุคคลที่ควรน่าเชื่อถือเพราะจิตใจก็ไม่ปลอดโปร่งไม่โลง่งไม่เป็นอิสระได้จริงก็ยังเอียงไปกับคติอคติต่ตางๆและก็เกี่ยวข้องกับใบยมุขช่องทางเสื่อมเสียนยทําให้โพกทรัพย์ที่มีอยู่ต้องวิบัติไปกับหนึ่งก็คือการติดสุราและของมืนเมาประการที่สองก็เที่ยวกลางคืนหรือ ประการที่3ก็ติดเที่ยวการเล่นประการที่4ก็ติดเล่นการพนันห้าคบคนชั่วเป็นมิตร6กเกียจค้านทำการงาน6ประการเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จก็คือ14อย่างเขาเรียกว่ากรรมกิเลสสอย่าง14อย่างนี่ใน14อย่างเหล่านี้ก็ต้องขจัดออกทำให้ตนเองนั้นเข้าถึงความสะอาดจริงๆทีนี้ในหมวดที่2 หมวดที่2เนี่ยรู้จักมิตรแท้และก็มิตรเทียมซึ่งควรคบและไม่ควรคบในส่วนของมิตรเทียมก็จะต้องในเห็นคารวาทั่วๆไปเนี่ยก็จะต้องแยกแยะว่ากลุ่มนี้เป็นมิตรแท้มิตรเทียมยังไงเช่นคนปอกลอกเนี่ยคนดีแต่พูดคนหัวประจบคนชักชวนในทางเสื่อมเสียเสียหายเนี่ยสประการเหล่านี้คือเรื่อมิตรเทียมถ้ามิตรแท้ก็มิตรมีอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรแหนประโยชน์ มิตรมีความรักไข่มิตรมีน้ำใจเป็นต้นประการต่อมาพอแยกเรื่องมิตร ด, ดีมิตรแท้แล้วเนี่ยแม้ในหลักมงคลละสูตรพุทธยาก็สอนไว้การแยกการครบคนประการต่อมาคือการเก็บสะสมทรัพย์นี่วิธีการดูแลทรัพย์ก็คือว่าแต่เดี๋ยวจะไปขยายอีกทีท่านก็ยกอุปมาว่าให้ทำตัวเหมือนพึ่ง ซึ่งเนี่ยขยันในการที่จะรวบรวมน้ําเกรสรดอกไม้สร้างรังหรือเหมือนกับตัวปลวกก่อสร้างจอมปวกแล้วก็จัดสรรทรัพย์ใช้สอยและผูกมิตรก็แบ่งเป็น4ส่วนส่วนที่1ก็คือกินใช้เลี้ยงดูคนแล้วก็ทําประโยชน์ส่วนนี้เลี้ยงตนเองดูแลตนเองอย่างไรดูแลบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างไรแล้วทําประโยชน์สิ่งที่ดีงามเป็นต้นอย่างไงนี่ส่วนแรกที่ใน2 ส, ส่วนนี่ก็กทําทุนก็คือว่า ประกอบกิจการในการลงทุน2 ส, ส่วนแล้วก็ส่วนที่3 ส, ส่วนที่4ก็เก็บไว้ชั่วคราในคราวจำเป็นในคราวจำเป็นนี่นี่หลักการบริหารจัดการเรื่องทรัพย์ที่ท่านวางไว้คร่าวๆส่วนรายละเอียดไปดูอีกทีและประการต่อมาคือว่าเรื่องทิศคือปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่สัมพันธ์กับตนที่ถูกต้องตามฐานะถึงที่เห็นได้ชัดว่าเมื่อไม่มีกรรมกิเลส16อย่าง ก็คือเว้นเกี่ยวกันในเรื่องของปันาธิบาตอธินาทานการเมสุมิชฌาจารย์มุสาวาตได้แล้วไม่มีความลำเอียงในชั้นทาคติโทสาคติมหาคติพยาคติแล้วก็ไม่ติดสุราเมีลายไม่ติดเที่ยวกลางคืนไม่เที่ยวกันและเล่นไม่เล่นการพนันไม่ก็คนชั่วไม่เกียรติคารทําการงานเอาความชั่วออกจากตัวเองแล้วก็แยกระหว่างมิทธเทียมมิทธแท้ได้ทีนี้กรณีที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกเขาเรียกว่าทิศมนุษย์เราในเวลาอยู่เนี่ย เราไม่ได้อยู่คนเดียวมันก็ยึดโยงกันหมดเลยถ้าตนเองเป็นจุดเนี่ยมันจะยึดโยงหมดแหลนะเนี่ยถ้าเราขีดเส้นแล้วปุ๊บมาเราเป็นหนึ่งมันก็ยึดโยงไปหาพ่อแม่ยังไงยึดโยงไปหาลูกยังไงยึดโยงไปหาภรรยาสามียังไงยึดโยงไปหาเพื่อนยังไงยึดโยงไปหาเจ้านายยังไงไปหาคนงานคนรับใช้อย่างไงลูกน้องยังไง ย, ยึดโยงไปหาพระเจ้าประสงค์เนี่ยนะเขาเรียกปฏิบัติต่อบุคคลที่สัมพันธ์กับตนที่ถูกต้องเขาเรียกว่าทิศห ก็คือระบบการเชื่อมโยงอันดับแรกจริงๆก็คือว่าบุตรธิดานีต้องปฏิบัติมารดาบิดาเหมือนกับทิศเบื้องหน้าเวลาเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเนี่ยเราจะเห็นว่าเออเนี่ยผ้าทิศมันขึ้นทางไหนนั่นก็เรียกว่าประทิมทิศนั่นคือทิศเบื้องหน้าใครมาก่อนลาโฮเพรามารดาบิดาฉะนั้นมารดาบิดาเป็นผู้มาก่อนบุตรธิดาทั้งหลายเนี่ย ต้องปฏิบัติต่อท่านก็คือท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบอันนี้เป็นรายละเอียดแต่จริงๆแล้วเวลาจะบอกเกี่ยวรายละเอียดเลี้ยงท่านตอบยังไงรายละเอียดยังไงเนี่ยอันนี้ก็คือว่าขับเน้นด้วยการที่มีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วมีสัมมาสังกัปปะคือการดาริออกจากการดาริจากการไม่พยาบาทบําริจากการไม่เบียดเบียนเนี่ยนะได้ถูกต้องแล้วสามารถทําพรหมวิหารธรรมคือเมตตากรุณาเมตตาเวกขาให้เกิดขึ้นในใจได้แล้ว แล้วก็สามารถเดินกลุ่มของสังขาวัตถุได้ทานปิยาวาจาัจจอาถาริยาสมานาตตาได้เวลาเกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติต่อท่านด้วยเมตตาอย่างไรปฏิบัติด้วยกรุณาอย่างไงมุทิตายัางไงวางใจเป็นกลางอย่างไงเมื่อจะใช้ท่านได้ฝึกผลพัฒนาตนเองหรือในขณะที่ท่านจะต้องเจออุปสรรคปัญหาชีวิตที่ไม่สามารถจะแก้ไขจัดการได้ก็วางใจเป็นกลางวาสัท์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมยังไงเป็นต้น ไอ้ตรงเนี้ยในรายละเอียดเนี่ยมันจะต้องไปทําความเข้าใจค่อนข้างในการปฏิบัติต่อท่านเห็นไหมทั้งหมดเลยนี่เป็นเรื่องปฏิบัติเพื่อเข้าถึงคุณธรรมกว่ า, วาเป็นลูกท่านเลี้ยงเรามาก็เลี้ยงท่านตอบแล้วก็ทํากิจของท่านดํารงวงตระกูลรักษาวงตระกูลนะประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นทายาทที่ดีแล้วก็สุดท้ายก็เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศเออเนี่ยไอ้หลักการตรงเนี้ยลูกบุตรที่ดาที่พึงปฏิบัติทีนี้แล้วมาดาบิดาอนุครอ์บุตรยังไง หน้าที่ของมารดาบิดาก็นั่นแหละก็ต้องตั้งอยู่ในพรหมวิหารและทำเหมือนกันขับเน้นออกมาเป็นสังหาวัตถุต่อลูกเหมือนกันก็คือห้ามการจจกความชั่วอะไรเป็นความชั่วเป็นความเสียหายเป็นหน้าที่ของพ่อและแม่จะต้องทําต่อลูกยังไงฝึกอบรอมให้ตั้งอยู่ในความดีอะไรเป็นความดีงามกายสุจริตวจีสุจริตมโนโ ส, สุจริตยังไงเป็นต้นอะไรเป็นการให้ทารักษาศีลอะไรเป็นการฝึกฝนพัฒนาตนเองเนี่ยอันนี้พ่อแม่ต้องบอกแยกดีแยกชั่วให้ชัดนะ แล้วก็ขาดไม่ได้ก็ให้ลู ก, ลกเรียนรู้ศิลปวิทยามีวิชาการในการหาทรัพย์มีวิชาการในการเจะเรียนยังดูตนเองเป็นทุรลในการหาคู่ครองที่สมควรอันนี้สําคัญดีไหมพ่อแม่ต้องฉลาดมากในการที่จะดูแล ว, ว่าใครเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรเนี่ยพ่อแม่อาศัยที่เป็นคนชันฉลาดในคําสอนของพระพระตัตนตรัยของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถอ่านคนออกมองสถานการณ์เป็นเป็นต้นอะไรเนี่ยก็สามารถเป็นข้อ เป็นคู่คิดให้กับลูกๆได้ให้ลูกมองคนว่าคนลักษณะนี้เป็นอย่างไรนิกมราฆาจริตโทสาจริตโมหาจริตวิตกจริตสธาจริตพุทธจริตยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็จะฝึกฝนยังไงปรับปรุงยังไงคนแบบนี้แก้ไขได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยต้องเก่งเป็นทุระแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้ในอากาศอันขวรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่คู่หนึ่งนี่ระหว่างพ่อแม่กับบุตรประการต่อมาระหว่างศิษย์กับอาจารย์ศิษย์ก็ บ, บํารุงอาจารย์ ผู้เหมือนกับทิศเบื้องขวาเวลาเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขวามือของเราน่ของอะไรที่เป็นที่เคารพก็นิยมวางไว้เดิมเบื้องขวาลุกขึ้นแสดงความเคารพเมื่อเห็นครูบาอาจารย์มา <c oughs> เข้าไปช่วยรับใช้ปรึกษาซักถามรับคำแนะนำ <c oughs> เข้าไปหาประการที่สาก็ตั้งใจฟังรู้จักฟังรู้จกักวิจัยแยกแยะฟังได้ดีนี่แหละเวลาศิลปเรียนศิลปะวิทยาทั้ง พรติบัติช่วยบริการเออหน้าที่ของสิทธิ์แล้วก็เรียนศิละปะวิทยาด้วยความเคารพเอาจริงเอาจั ง, จงถือเป็นกิจสําคัญในการที่ศึกษาเราเรียนเนี้ยเนี้ยหน้าที่ของสิทธิ์ครูอาจารย์แหะปฏิบัติในศีลปฏิบัติยัยงไงทั้งหมดเหล่านี้ให้พึงสังเกตนะตั้งพรหมิหารไว้ในใจขับออกมาเป็นพรหมเป็นเป็นสังาวัตุขเนี่ยขับออกมาคือควรจะทำนทำได้คุณธรรมทั้งหลายเป็นต้นเออทีนี้ก็ในเรื่องของ แนะนำฝึกอบรมให้เป็นคนดีใช่ไหมหน้าที่ของครูอาจารย์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็สอนให้เข้าใจให้แจมแจง้งเวลาสอนอะไรก็ยกเขตยกผลยกอุปมาไปเหมือนกับยกถ้าจะพูดเรื่องอะไรก็เหมือนกับยกสิ่งต่างๆนั้นมาตั้งไว้ตรงหน้าเห็นให้แจงแจง่มแจง้งให้ชัดวิธีสอนก็คือทําเรื่องยากให้ง่ายทําเรื่องยาวให้สั้นนี่นะสรุปประเด็นให้ชัดเนีไงไง่ยไม่ใช่โอ้ทาเรื่องเรื่องง่ายให้ยาก ทำเรื่องยากอยู่แล้วยากยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ย่งงนั้นครูอาจารย์ต้องเก่งนเลืสอนศิลปะวิทยาให้สิ้นเชิงไม่ปิดบังอาพรางแลยยกย่องให้ปรากฏี่หมู่พวกสร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิตตรงนี้ก็หมายความว่าสอนจนสามารถเขาสามารถฝึกตัวเองได้สอนเรื่องทานก็สามารถเขาเดินทานกุศลได้เขาปลอดภัยแน่นอน สอนเรื่องศีลก็สามารถเขาพฤติกรรมเขาเดินศีลได้สอนเรื่องสมาธิเขาฝึกสมาธิได้จริงสอนเรื่องปัญญาเขาสามารถเจริญปัญญารู้เหตุรู้ผลเข้าใจอะไรได้ชัดจริงคือไปหน้าที่ไหนแปลว่าครูบาอาจารย์เนี่ยประดุจอยู่กับเขาได้เรียบร้อยไปแล้วไปที่ไหนเขาไม่ลําบากอันนี้ก็แปลว่าเข้าไปใช้งานได้ประกอบอาชีพได้จริงแล้วก็เขา พึ่งตัวได้ธรรมะได้ข้อมูลความรู้ทั้งหลายเป็นกุญแจเลยเป็นไกด์นํานพาชีวิตของเขาให้ประสบความสาเร็จได้จริงอันนี้ก็คู่หนึ่งระหว่างศิษย์กับอาจารย์อีกคู่หนึ่งก็คือระหว่างสามีกับภรรยาสามีก็บำรุงภรรยาที่เหมือนกับทิ่นเบื้องหลังยกย่องให้เกียรติในฐานะเป็นภรรยานับถือเป็นภรรยานี่สําคัญยกย่องเขาให้เกียรติเขาในรายละเอียดก็เคยกล่าวไว้หลายที่ประการที่2ไม่ดูหมิน่น ดูหมินเขาว่าไม่ฉลาดไม่โง่หรืองโงไ่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยไม่ดีเป็นการดูหมิน่นซึ่งกันและกันประการที่สก็ไม่นอกใจ4ก็ว่าความเป็นใหญ่ในบ้านให้5ก็หาเครื่องแต่งตัวให้เป็นของขวัญตามโอกาสภรรยาก็เมื่อได้รับบำุงอย่างนี้ก็อนุเคราะห์สามีจัดการงานจัดการงานดีให้เรียบร้อยส่งข้อญาตมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดีฉลาดเป็นคนที่รู้ระบบการ ที่สัมพันธ์ที่ดีที่สุดถ้าผู้หญิงไม่เก่งในเรื่องนี้ยุง่งยุ่งแล้วตรงนีน้อันนี้แสดงว่าไม่ได้เรื่องและไม่สามารถที่จะพันตัวเองให้เป็นคนเชื่อมประสานได้ดีไม่นอกใจรักษาทรัพย์ที่สามีหาไว้ได้ขยันไม่เกียดข้านในกิจการทั้งพวงเนี่ยนะอันนี้คู่ของสามีและภรรยาต่อมาก็คือเพื่อนต่อเพื่อนสหายต่อสหายนี่เป็นทิศเบื้องซ้ายซ้ายมือเหมือนเพื่อนสามีภรรยานี่เหมือนทิศเบื้องหลังนะมาที่หลัง หนึ่งเพื่อแพ่แบ่งปันนิมิสหายนะพูดอย่างน่ารักช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีตนเสมอคือเสมอในสุขในทุกข์ในจักสุรษัทจริงใจต่อกันมิสหายเมื่อได้รับอนุเคราะห์อย่างนี้แล้วก็เมื่อเพื่อนประมาทแล้วก็ช่วยรักษาป้องกันเมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์ดูแลทรัพย์ให้กับเพื่อนในคราวมีภัยก็เป็นที่พึ่งได้ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ก็นับถือตลอดวงของมิตรเนี้ย เนี่ยเราก็จะเห็นชัดแล้วว่าวิธีการปฏิบัติต่อกันอย่างไรคู่ต่อมาก็คือระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือนายจ้างลูกจ้างอะไรเนี้ยจริงๆว่านายเนี่ยเขาให้นายจัดการดูแลคนงานในบ้านก่อนหรือลูกน้องก่อนเพื่เหมือนทิศเบื้องล่างเนี่ยจัดงานให้ทําตามความเหมาะสมตามกําลังตามเพศวัยตามความสามารถ ของบุคคลที่เรารู้จักหรือของของลูกน้องนะัดูเขาว่าเขาเหมาะแก่งานอะไรจัดงานให้เหมาะสมเขาเป็นเพศหญิงเพศชายอย่างไรก็มีความสามารถมากน้อยอย่างไรก็จัดให้เรียบร้อยให้เหมาะสมกับเขาให้ค่าจ้างรางวัลให้สมควรแก่การงานและความเป็น <Yeah. S 1> ไม่เอาเปรียบเขาต้องมีใจเห็นไหมทั้งหมดเหล่านี้ตั้งอยู่บนพรมวิหารธรรมด้วยนะชัดนะและแสดงออกมาโดยสังขารวิถีต่อตาลูกน้องด้วย จะสวัสดิการมีการช่วยเหลือรักษาพยาบาล ย, ยามาเจ็บไข้เป็นต้นมีอะไรเป็นพิเศษก็แบ่งปันให้ให้มีวันหยุดพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสไอ้ถึงต่างๆนีน่โอ้โหแต่เนี้ยคนรับใช้หรือคนงานทั้งหลายพอได้รับอนุเคราะห์ อ, อย่างนี้แล้วโอ้โหตื่นเต้นแล้วเริ่มทำงานก่อนขยันขันแข็งเวลาจะเลิกทางานก็เลิกทีหลังเอาแต่ของที่นายให้ ทำการงานให้เรียบร้อยและได้ให้ดียิ่งยิขึ้นไปฝึกฝนพัฒนาตัวเองยิ่งยงยิ่งขึ้นไปก็คือนำคุณของนายไปเสริมเสริญไม่ไปติณธาอนนี้อันนี้คู่หนึ่งต่อมาก็คือคู่ระหว่างเครื่องหัด ก, กับพระสงฆ์อย่าสังเกตดูนะคารวะหรือญาติโยมโดยทั่วๆไปที่ปฏิบัติต่อพระสงฆ์สําคัญตรงที่ว่าจะทําสิ่งใดก็ทําด้วยเมตตาเห็นไหมนี่ก็คือว่าคารวะทั้งหลายโดยมากจะขาด ที่นี่พบจะทําอะไรก็ทํำด้วยเมตตาอันนี้ขับเน้นเงี้ยทำด้วยเมตตาด้วยทํำด้วยกรุณาด้วยทํำด้วยมุทิตาด้วยทําออกมาทางกายนี่นะก็คือใช้หลักสังขาวัตถุเนี่ยเป็นตัวขับเน้นในการปฏิบัติต่อประสงค์ในยามท่านปกติก็เมตตาในยามท่านประสบความทุกข์ความเดือดร้อนก็กรุณาในยามท่านทำสิ่งที่ดีงามประสบความสําเร็จทั้งหลายเหล่านี้จเจริญสินสมาธิปัญญายี่ก็มุทิตาเนะี่ยทกับท่านท่า น, านด้วยความพลอยยินดีสนับสนุนส่งเสริมเป็ น, เ ป, นเป็นต้น พูดด้วยเมตตาในยามปกตินี่นะพูดด้วยใจรักมีน้ําใจมีปีญาวาจาในยามท่านประสบความทุกข์ความเดือดร้อนก็พูดด้วยกรุณาในยามที่ท่านประสบความสําเร็จนี่พูดส่งเสริมสนับสนุนเลยพูดด้วยมูทิตาเห็นไหมยามปกติกับผิดปกตินี่ต่างกันผิดปกติแย่ลงกับผิดปกติที่ดีขึ้นแยกให้ออกเอาอย่างทุกวันนี้ถ้าเราอยู่อย่างนี้ย ถ้าเราเห็นพระสงฆ์ท่านปฏิบัติตนเองตามปกติมีการศึกษาพระธรรมมีการประพฤติปฏิบัติตามปกติเนี่ยนะไม่มีอะไรผิดปกติอย่างเนี้ยยามปกติแบบเนี้ยแล้ก็เมตตาคารวะก็พูดต่อท่านด้ยวยเมตตาทำกับท่านด้ยวยเมตตาใช่ไหมแต่ในยามผิดปกติถ้าไปเห็นท่านเริ่มออกนอกลูกนอกทางไอ้ตรงเนี้ยคารวะก็ต้องมีหน้าที่กรุณาและเตือนด้วยกรุณาบ้าง กระทำกับท่านได้กรุณาหรือเห็นท่านตกทุกข์ได้ยากเจ็บป่วยทั้งหลายอะไรนี้ก็กรุณานี่เขาเรียกผิดปกติฝ่ายแย่ลงหรือถ้าทําถ้าท่านผิดปกติฝ่ายดีขึ้นถือผิดปกติเหมือนกันนะฝ่ายที่ประสบความสําเร็จเนี่ยหรือว่าทําอะไรเด่นขึ้นดีขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องพอยินดีสนับสนุนอันนี้ทั้งการกระทําทางกายกรรมวจีกรรมทั้งหลายทูดด้วยเมตตาไปต้นจะคิดคิดก็คือมีน้ําใจคิดถึงท่าน ก็คิดด้เมตตาคิดด้วยกรุณาและคิดด้วยมุทิตาเนี่ยวิธีคิดเนี่ยตรงนี้ท่านสังเกตดูนะว่าคารวะเวลาคิดกับรระสงเนี่ยถ้าคิดไม่เป็นบาปจะเกิดทุกวันเนี่ยเราไม่ถูกญาติโยมทั้งหลายไม่ได้ถูกสอนแบบนี้นะเราไม่เคยได้ถูกสอนเลยแล้วก็สเปรศัปะว่าเรามีข่าวเรื่องพระเจ้าประสงค์ออกมาเนี่ยโอ้โหคารวะที่ไม่ได้ถูกสอนวิธีคิดเนี่ยคิดกันแบบเตลิดเลยแต่เนี่ยบอกกันเถอะคิดตําหนิก็มีคิดด่า คิดประทุษส้ายคิดที่ท่านวิบัติอะไรโอ้โหไปใหญ่เลยเนะี่ยไปไปมาๆก็เลยกลายเป็นวางท่าทีทางใจไม่เป็นเพราะไม่ได้ศึกษาเรื่องศีลหรือวินัยที่คารวะควรปฏิบัติต่อพระสงฆ์อย่างไรเนี่ย <c oughs> ไอตรงนี้เป็นรายละเอียดต้องไป <c oughs> ไปพิจารณาต้อนรับด้วยความเต็มใจเวลาท่านมาที่บ้านเลยมาบินบาบเลยก็เต็มใจข้อสุดท้ายก็อุปถัมภ์ด้วยปจัจจัยสเห็นไหแปลว่าอะไรเนี่ย เป็นหน้าที้งคารวะเนีอุปถัมภ์ที่อยู่อาศัยเครื่องนมยาอาหารเป็นหน้าทิ้งคารวะเอาละพระสงฆ์พอได้รับอนุค้อจากเครือข่ายอย่างนี้แล้วหน้าทิ้งพระสงฆ์ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความชั่วสอนเรื่องศีลของท่านสอนเลยพระสงฆ์ต้องสอนศีลคารวะเขาโอเว้นปาณนติบาศเว้นอาทินนาทานเว้นการเมศุญิชชาจารเว้นมุสาวาจเว้นปุสนาวาจาเว้นพุรุสวาจาเว้นสัมผัสปลาปะเว้นจากอภิชาพยาบาทเว้นจากมิชาทิฏฐิ ออสอนอย่างเงี้ยเออไอ้เนี่ยกายยโสจิตวิจีโสจิตมโนทุจริตเนี่ยไม่ควรทำนะเด็กอาชีพที่ผิดพลาดทั้งหลายเนี่ยนี่เป็นทุจริตทั้งหลายอะไรนี้แต่แต่จะมีอุบายยังไงก็ว่ากันไปนะแล้วก็2ก็แนะนําสอนให้ตั้งอยู่ในความดีไอ้ความดีทั้งหลายเนี่ยให้ตั้งอยู่ในไหนอันนี้สอนด้านสภาพจิตใจเลยคือให้ประกอบกา ย, ยสุจริตวิจีสุจริตมโนโสจิตไม่พอแล้วก็ให้ตั้งอยู่ความไม่โลภความไม่โกรธใช่ไหม เนี่ยให้ตั้งอยู่ในความดียังไงให้พัฒนาศักยภาพว่าคุณภาพของจิตที่ดีเป็นยังไงสมรรถภาพของจิตที่แข็งแรงเข้มแข็งทำยางไรความสุขที่จะเกิดขึ้นจากการบริหารพัฒนาจิตแล้วเนี่ยมันจะดีจะเลิศยังไงโอต้องสอนเขาเนี่ยให้เขาตั้งอยู่ในความดีอย่างเงี้ยเวลาอนุเคราะห์ก็อนุเคราะห์ด้วยน้ําใจอันงามเวลาคุยกับคารวาทั้งหลายเนี่ยประสงค์เนี่ยก็คุยด้วยเมตตาพูดด้วยเมตตาพูดด้วยกรุณาพูดด้วยมุทิตาอย่างไรเป็นต้นนะวางใจเป็นกลางไม่เลือกที่รักไม่ผักที่ชังนะ ตรงนี้พระสงฆ์ต้องไม่ฟูไม่แฟบเวลาจะกล่าวว่ารำบอกคารวาสทั้งหลายเลาเนี่ยให้ได้ฟังให้ได้รู้ในสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ยังไม่เคยฟังอะไรที่มันในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โยมเขาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยฟังทั้งหลายก็หยิบยกออามาสอนเอามาแนะนําเอามาบอกกล่าวในนาทีพระสงฆ์เป็นอย่างนี้แล้วก็ชี้แจงอธิบายนะ สิ่งที่เคยฟังแล้วเนี่ยให้เข้าใจให้แจม่มแจ้งยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่พึงปฏิบัติต่อคารวาสเป็นศีลนะครับเรื่องแบบนี้เป็นศีลไม่ใช่ว่าเป็นพระสงฆ์แล้วโอ้ไม่ต้องทําอะไรแล้วบวชมาก็ไม่ต้องทำทำอะไรเสร็จบวชมาก็มาสวดมนต์ไหว้พระตัดตัวเองออกจากคารวาสเลยอขอไปตัดตัวเองออกจากตัดกันเลยคารวาสอยู่ส่วนคารวาสพระอยู่ส่วนพระไม่เชื่อมโยงไม่เชื่อมประสานกันเลยเห็นไหม อย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติต่อทิศไม่ถูกพระสงฆ์ก็เป็นผู้ปฏิบัติไม่ถูกบางคนหนักไปกว่า น, นั้นอีกเออเราไม่ใช่เจ้าอาวาสแล้วไปสอนอะไรเราไม่ใช่ครูบาอาจารย์แล้วไปไปสอนอะรญาติโยมเขาเนี่ยไปไปมาถ้าคิดในลักษณะอย่างเนี้พระธรรมคาสอนมันจะเข้าไปสู่กระแสชีวิตของญาติโยมได้งนั้นอย่างพระสงฆ์ที่ไปบินธบาต ท, ทั้งหลายเลยเนี้ยก็หน้าที่โดยตรงในการที่จะไปสื่อสารกับฆราวาสเขาไปบอกเขา ไ้บอกก็คือไปห้ามปลาเมฆเขากรอทความช่วยเขาทาความดีอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงานให้เขาได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังทําสิ่งที่เคยฟังแล้วที่ไม่เข้าใจชัดให้เข้าใจชัดบางคนก็ไปอยู่แค่นั้นแหละไปถึงก็อภิวาทนารีลิสานิจังวุฒาปจา ย, ยโนจัตารโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขงังพลงังก็เลิกคุยกันถึกับจบ ใส่บาตพระรูปนี้มาตั้งเป็น 10-10 ปีแล้วไม่เคยพัฒนาปัญญาความรู้อะไรดีขึ้นมาเลยมันน่าเศร้าใจไหมล่ะเนี่ยพระก็ไปรับอาหารทุกวันทุกวันแต่ความเข้าใจในเรื่องของพรระตัตนาตราก็แย่ลงแย่ลงแล้วพระก็ไม่บอกยอมก็ไม่รู้เรื่องไปไปมาๆอย่างนี้พระศาสนาต่างด้วยศีลสมาธิปัญญาจะอยู่ยังไงเนี่ยพระศาสนาก็คือตัวศีลสมาธิปัญญาใช่ไม เมื่อญาติโยมไม่สามารถปฏิบัติในศีลได้ถูกต้องก็กลายเป็นศีลรัประจบปรามาสญาติโยมไม่สามารถจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นมาได้กิเลสก็กุ้มลมจัดใจญาติโยมปัญญาไม่เกิดความรู้ความเข้าใจไม่เกิดแล้วศาสนาจะอยู่กับใครแต่นี้แล้วมีไหมมีศาสนาไหมศาสนาในในในองค์ของพระก็ไม่มีในองค์ของโยมก็ ม, มียุ่งเลยเนี้ย ก็อยู่อนุเคราะห์เรื่องอาหารกันไปวันวันแค่นั้นเองเป็นอมิสตาญาตไปพระก็เป็นอมิสถายาก็คือรับมรดกคืออามิตรของพระเจ้ามาญาติยอมก็เอาสวรรค์ไปเอาความสบายใจเอาความสุขทางด้านจิตใจไปเอาทานกุศลไปแต่พัฒนาสุสีนกุศลก็ไม่ได้พัฒนาสุสมาธิกุศลโดยเฉพาะปัญญากุศลไม่ได้เลยใส่บาตรพระทุกวันทุกวันรื้อเผยบางทีก็คุยเรื่องเดียวกันกับชาบ้านไปเลยตอนี้ ใช่ไหมสังเกตดูทีพอไปถึงถามยอดยอมทําอะไรนี่ยอมบอกเออเนี่ยยอมกําลังปลูกมะขามอยู่เออที่วัดอยากจะปลูกบ้างอ่ะเรื่องเดียวกันแล้วตอนนี้อยากจะปลูกมะขามกินงนั้นอ๋อเอาไปที่ท่านเอาไปที่เอาไปที่ว่ากัก็เกิดกายความสัมพันธ์เหมือนคารวาสเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเออรักใครกันรักกันว่างั้นนะยามตายยามอะไรก็มีความรักก็ยอยู่แค่นี้ไม่ ไม่ไม่ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟังไม่เคยเลยมันหน้าที่ใครหน้าที่ของพระสงฆ์ที่พึ่งปฏิบัติต่อฆราวาสเมื่อเขาให้เราแล้วกินอาหารเขาแล้วเนี่ยเห็นไหม เ, ออเราจะทาความดียังไงให้เขาได้เกิดความเข้าใจรู้แด้เข้าใจชีวิตของเราเนี่เหมนเนื่องด้วยคนอื่นใช่ทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายถูกต้องเลยแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกข้อมูล และประการต่อมาคือบอกทางสวรรค์ให้เขาสอนวิธีการดําเนินชีวิตให้เขาประสบความสุขสวรรค์เอนนี้ตีความสอนหลักการในการที่เขาจะดําเนินชีวิตไปสู่ระบบของทานศีลภาวนายัางไงท่านพุทธเจ้าก็บอกพุทธเจ้าจะสอนเลยนะเวลาไปบิณฑบาต ท, ที่ไหนพระเจ้าก็จะเทศเรื่องทานละกะาักถาพูดเรื่องทานให้เขาเข้าใจให้ชัดศีลลกถา พ, พูดเรื่องของศีลให้เขาเข้าใจให้ชัดพัฒนาทั้งพิสดาร ละเอียดยิบสัคค ก, ะกะถาอานิสงฆ์ของทานอานิสงฆ์ของศีลเป็นยังไงอธิบายชัดเลยก <c oughs> ารมาทีนว่ากะถาพูดให้เขาเห็นโทษของการที่เขาจะต้องหมกมุ่นเกือนกลัวอยู่กับกรรมคุณการมาสุขยังไงเนี่ยด้วยกิเลสกรรมมีโทษยังไงวัตถุ ก, กรรมที่เขาไปเกี่ยวข้องนั้นต้องระมัดระวังอยู่ด้วยความไม่ประมาทยังไงกินอยู่ด้วยปัญญามีนิสฐานปัญญาไม่เป็นทาตของทรัพย์ไม่เป็นทาตของ ต้นหามาหนาทิถียังไงเป็นต้น <c oughs> แล้วก็ประการต่อมาก็คือเนตเขามาเนี่ยสังสารถาใช่ไหมสอนให้เขาได้พัฒนาฝึกจิตของตนเองให้สงบกามคุณได้แล้วก็เห็นว่าถ้ามีเขามียัตยาัยก็สอนอริยสัจสอนสัจจะสอนความจริงของบริยายาความจริงของพวัฏถาคด ความจริงอันประเสริฐสี่ประการก็เลยหรือเรียกว่าสามุ ก, กังสิกาเทสนานี่แหละก็คือสอนในเรื่องของทุกขคือปัญหาคือปัญหาของชีวิตมันชีวิตมันคือตัวปัญหายัางไงแล้วก็เหตุของทุกทุกเนี่ยสอนให้รู้จักทุกแต่ไม่ใช่ให้เป็นทุกให้วางท่าทีต่อทุกยังไงใช่ไหมสอนให้รู้จักทุกให้เห็นทุก ทุกเป็นสิ่งที่ควรเห็นแต่เป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรเป็นยังไงแล้วก็สอนให้รู้ว่าเหตุที่ทําให้ทุกเกิดให้กระแสชีวิตดําเนินมาเพราะอะไรกระสอนจุดหมายที่ควรเป็นยังไงจุดหมายที่ประเสริฐที่ดีที่สุดก็คือความดับทุกขสอนวิธีการเรื่องมาร์กในเรื่องใหญ่นีวิธีการข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกอันนี้หน้าที่ของใครหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะต้องบอกเขาเนี่ยอนุเคราะห์ ชาวบ้านครับพระรูปไหนไม่ทําแปลว่าพระรูนนั้นขาดศีลขาดจารีตศีลข้อนี้ไม่มีวินัยในข้อนี้ชื่อว่ายังทําหน้าที่ไม่ไม่เต็มไม่ไม่เต็ ม, ม, ม, ตมฉะนั้นเป็นหน้าที่ที่พึงทำนะระหว่างก็ต้องดูว่าเวลาญาติโยมมาหาใช่ไหมเล่เ อ, อญาติโยมก็เอาอามิตรนี่แหละมาให้เนี่ยเขาอุปถัมภ์ด้วยปัจจัยศีพระก็ต้องให้อะไร ให้ทำนะฮะยอมให้วัตถุทานพระก็ให้าธรรมทานเนต่างฝ่ายต่างก็ทําหน้าที่กันอย่างนี้แหละเวลาต้อนรับก็เป็นเห็นไหมพระต้องมออีในเรื่องของการเขาเรียกว่าปฏิสังขานอามิตรสาปฏิสังขานปฏิสังขานโดยอามิตรเะยมนั่นที่นั่งยอมหยิบเอานะยอมนั้นน้ํำยอมหยิบเอานะเนี่ยปฏิสังขานโดยอามิตรก่อน แล้วนัเข้านัาเขาก็ปฏิสันทารโดยธรรมพูดเรื่องทาน <c oughs> ทานยังไงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาให้เขาเข้าใจหลักการก็อยู่ตรงนี้แหละมองเห็อย่างแต่เนี้ยนี่หลักการนี้ที่เพิงปฏิบัติต่อกันนีประการต่อไปก็คือเรื่องที่จะพูดที่ขับเน้นกันมานานก็คือพูดในเรื่องของอาชีวะ เ, เรียกว่าสัมมาอาชีวะ สับของพระเขาเรียกว่าอาชีวธรรมกศีลศีลที่มีอาชีวะนี่ น, นีโอ้เรื่องศีลข้อนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่อาชีวปฏิสุทธิศีลเนี่ยศีลที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพศีลที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพเนี่ยอาชีวธรรมกศีลเนี่ยศีลที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพนเนี่ ย, รรยจะบริสุทธิ์ได้ด้วยอะไร ที่จริงก็คือว่าพอมองในเรื่องของคําว่าอินทรีย์สังวรศีลแล้วเนี่ยก็มาพูดถึงในเรื่องของอาชีวะปริสุทธิศีลวิริยะนี่แหละจะทําให้อาชีวะปริสุดทิศีลให้สําเร็จที่จริงเนี่ยอินเดียสังวรศีลเนี่ยเคยพูดมาหลายที่แล้วแต่ครั้งนี้จะพูดถึงอาชีวะปริสุทธิศีลก่อนถามว่าอาชีวะปริสุทธิศศีลเนี่ยจะพึงให้สําเร็จด้วยอะไรก็สําเร็จด้วยวิริยะ เพราะอะไรเพราะอินทรีย์สังวรศีลสําเร็จได้ด้วยสติใช่ไหมปาฏิโมกข์สังวรศีลสําเร็จได้ด้วยศรัทธาฉนั้นศรัทธานี่ทำให้ปาฏิโมกข์สังวรลศีลนั้นประสบความสําเร็จได้ถ้าคนมีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยจเประญเม็นศีลคือปาฏิโมกข์สังวรลศีลให้บริบูรณ์แต่ถ้าอินทรีย์สังวรศีลการปิดบาปในทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ราคะโทสะโมหะมุนเกัศวะจิตเนี่ยต้องการนด้วยสติ สติเป็นตัวปิดกั้นบาปกั้นกระแสเหล่านั้นแต่ถ้าอาชีวะปริสุตรที่ศีลจะสำเร็จได้ด้วยวิริยะคือความเพียรแท้จริงแล้วก็คือว่าอาชีวะปริสธิ์ที่ศีลนั้น น, น่มีวิริยะเป็นเหตุให้สำเร็จเพราะอะไรเพราะภิกษุที่ปาราบความเพียรแล้วสามารถจะขจัดมิจฉาอาชีพได้อันนี้พูดเรื่องพระก่อนคารวาพูทีหลังเพราะฉะนั้นภิกษุจึงควรละอเนสนา ก็คือการแสวงหาอันไม่ประเสริฐหรื อ, อไม่สมควรอันไม่เหมาะสมแล้วก็ใช้สอยปัจจัยที่เกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์เท่านั้นแล้วก็หลีกเว้นจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม่บริสุทธิ์เหมือนอะไรเหมือนเราหลีกเว้นจากอสสารพิษแล้วก็ทําอาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลนั้นให้สําเร็จด้วยความเพียรด้วยความบากบัน่นด้วยความกล้ากล้านะด้วยความเพียรพยายามไม่ย่อท้อบางทีมันท้อนะครับ ันที่ปฏิบัติในอาชีวะเนี่ยแหมเนี่ยเราเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์พุดพองเนี่ยนะไปๆมาๆ ม, มันไม่ได้อาหารนีมันไม่ได้ที่อยู่ดีๆอย่างคนอื่นเขามันไม่ได้เครื่องนึ่งหม่มมันไม่ได้ยาดีๆเงี้ยอยากกันนั้นเลยก็ทําเลสซะเลยเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีจิตกิเลสเหล่านี้กิเลสก็จะมากุ้มรวมจิตใจมันก็อยากจะก่อกิเลสตรงนี้เกิดขึ้นมาบาปอคติสถานกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายก็เกิดขึ้น นี้เป็นต้นนั้นปัจจัยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะในปัจจัยเนี่ยส อ, อย่างที่บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์นั้นก็บอกปัจจัยที่เกิดจากสองคณะและจากสำนักของครือข่าผู้เลื่อมใสในคุณธรรมของภิกษุนั้นเน่ยเช่นมีการแสดงธรรมเป็นต้นเหล่านี้ชื่อว่าปัจจัยที่เกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์แก่ภิกษุผู้ไม่ถือทุต o n ส่วนปัจจัยที่เกิดจากการบินทบาททั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะที่ไปแสวงหาด้วยปรีแข่ง ด้วยลําแข้งเนี่ยอันนั้นเกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์ยิ่งนักเออปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะจากการเที่ยววินทบาทเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้จากสํานักผู้เลื่อมใสในทุตดงคุณของภิกษุโดยความคอยตามความประพฤติ ท, ที่กําหนดไว้ในทุตดงชื่อว่าเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์แก่ภิกุภิกษุที่ถือทุตดงนั้นเป็นอีกอย่างนะ อันนึงเมื่อสมอดองด้วยน้ำมูดเน่าและมะุมะทุระเภษัชยาคือจะตูมะทุสี่อย่างเนี่ยที่ทาจากสี่อย่างเนี่ยจะตูมะุเนี่ยเดยอมาถวายเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อบระบัตรโรคอย่างเดียวกันภิกษุนั้นคิดว่าแม้เพื่อนพรหมจานทร์อื่นจากฉันจะตูมะทุเภสัชที่มีสี่สิ่งมีแลฉันแล้วจึงฉั น, ช, นชิ้นสมอเท่านั้น การสมาทานทุดดงของเธอย่อมสมควรโดยแท้จริงภิกษุนี้เรียกว่าผู้ดำรงอยู่ในอริยวงชั้นสูงเนาะในสมัยขั้งพุทธกาลเนี่ยมียาดองน้ามูดเนา่าที่เรียกว่าปูติมุตตะไอปูติมุตตะเนี่ยเขาเรียกว่านำน้ำปัสสาวะของวัวที่นำเอาผลสมอหรือมะขามป้อมมาแช่ไว้แล้วก็ทำเป็นยาใช้แก้โรคสมัยก่อนก็เรียกโรคดีซ่านนะครับ โรคดีซานโรคดีซานเวลาเป็นขึ้นมาแล้วโอ้ยมันทำให้จิตใจกระวนกระวายตัวจะเหลืองๆอยู่เนี่ยนะที่จริงแล้ว่แม้เป็นน้ํามูดเน่าสดๆที่ยังไม่เน่านะน้ำมูดสดๆนะที่ยังไม่เน่าก็กล่าวว่าเป็นยาดองน้ํำมูดเน่าตามคํากล่าวของชาวโลกเหมือนกันฉะนั้นการกล่าวตําหนิร่างกายของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าปูติกายยังกายเน่า ปูติมุตตังพิกเวเพศัชานังอปัญจะสุรพันจตันจะอนนวัชชังพิกษูทั้งหลายบรรดายารักษาโรคยาดองน้ำมุดเน่ามีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษปูติมุตตังก็คือยาดองน้ำมูดเน่าเนี่ยน้ำมุดเน่าอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสดและเก่า อุปมาว่าร่างกายแม้จะมีสีด่งทองก็เรียกว่ากายเน่าชั้นใดน้ำมูดก็คือน้ำปัสสาวะแม้จะสดเนี่ยก็เรียวกว่าน้ำมูดเน่าชั้นนั้นอันนี้มาขยายให้ฟังนะนี่เป็นอยังไงนะเดี๋ ย, ย, ยวขยายตรงนี้อีกอย่างนึงก็คือว่าเออไอตัวน้ำมูดเน่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือน้ำมูดของโคอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสดทั้งเก่าแต่ในบ้านเราเนี่ยเวลาบอกน้ำมูดจริงๆดันไปเอาน้ำปัสสาวะของคนซะนี่ แต่ในตำราเนี่ยก็บอกเอาชิ้นสมองที่แช่ไว้ในน้ำนมูดของวัวเนี่ยอาน้ำน้ำน้ำมูดของวัวน้ ำ, นำปัสสาวะของวัวเนี่ยไปแช่ดองทีนี้ในยาดองน้ำมูดเน่าเนี่ยเป็นชื่อของน้ำมูดโคทั้งทั้งหมดทั้งที่เก่าและใหม่ได้ทั้งนั้นส่วนยาจจตัวมะทุนเนี่ยยาหวานสี่ประสานมีอะไรบ้างอะ มีส่วนประกอบของวัตถุสอย่างก็คือนมส้มน้ำพึ่งเนยใสและกัน้ำอ้อยแต่ยาดังกล่าวเนี่ยอาจผสม4ี่อย่างคือเนยใสน้ำอ้อยน้ำพึ่งและน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะสามารถอางอาจารย์อีกบางกลุ่มก็บอกว่าเนยใสน้ำอ้อยน้ำพึ่งและน้ำมันมะพร้าวบอกว่าได้จตุมัทุเรนะยาห ว, วานสี่ประสานหนึ่งคำว่าจตุมัทุรังหรือยาหวาน4อย่างเนี่ย สี่ประสาทกันเนี่ยมันมีนมสม้มน้ําพึ่งเนยใสแล้วก็น้ําอ้อ ย, ย, ะะออยที่ตรัสไว้ในมัชฌิมานิการเนี่ยในมหาธรรมมาสมาทา น, านสูตรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไปทํากันพิยมคนหนึ่งแต่ก่อนก็บวชเป็นพระก็ได้สูตรยานี่แหละเนยใสน้ําอ้อ ย, ยน้ออยําพึ่งแล้วก็น้ํามันเนี่ยมะพร้าวหรือว่าเนี่ยได้สอย่างเนี่ยนมส้มน้ําพึ่งเนยใสแล้วก็น้ำอ้อยไปเคี่ยวผสมเนี่ยแล้วก็ทำ นี่ไปสืกออกไปเนียก็ไปทำใบนี้หนักทาใบทํามาแล้วขายเลยนี่ เ, เขาบอกว่าใช้เวลาในการเคี่ยวนนานมากต้องสวดในขณะที่เคี่ยวไปต้องสวดไอ้พระปริศ ไ, ไปด้วยนะว่ากันน่นนี่ไปไปมาเลยกลายเป็นอาชีพไปเลยอันนี้ไม่ใช่พูดเพื่อให้ออกไปทําอาชีพแบบนั้น เ, นเออในบรรดาปัจจัยสี่มีจีวอ เสนาสนะพิกษุรูปใดรูปหนึ่งชําระอาชีวะให้บริสุทธิ์ไม่ควรทํานิมิตหมายเพื่อให้ได้ปัจจัย4การกระทําเป็นในโดยการพูดหวานล้อมและการขอจีวรบ้างขออาหารบ้างส่วนพิสูุที่ไม่ถือทุดดองอาจทํานิมิตหมายการพูดเป็นในและการพูดหวานล้อมได้ในเสนาสนะคืออย่างนี้ไอการทํานิมิตหมายก็คือพิกษุกําลังทําการปรับพื้นเป็นต้นเพื่อสร้างเสนาสนะถ้าเครื่องหัดมา ถามว่าทำอะไรใครเป็นเจ้าภาพสร้างเขาลับเนี่ยก็พูดตอบว่ายังไม่มีใครหรือเป็นการนิมิตหมายอย่างอื่นเช่นกันเนี่ยการพูดเป็นในๆนว่าภิกษุถามว่าอุบาสกบาสิการทั้งหลายพวกท่านอยู่ที่ไหนแต่เขาตอบว่าพวกกระผมอยู่ที่ปราสาทคขลับบอกเขพูดว่าอุบาสกบาสิการทั้งหลายปราสาทไม่สมควรแก่ภิกษุทั้งหลายหรื อ, อไรหรือเป็นการพูดเป็นในในอย่างเนี่ยหรือพูดหวานล้อมบอกว่าการพูดโดยมุ่งให้เขาถวายเสนาสนะว่าเสนาสนะของภิกษุสงฆ์ยังแคบ อย่างเงี้ยรักษาอย่างเงี้ยพูดหวานล้อมอย่างเงี้ยแล้วเป็นเหตุทําให้ชาวบ้านเขาเห็นเออพระเดือดร้อนพอพระเดือดร้อนขึ้นมาก็เลยมาทําอย่างเงี้ยเเรียกพูดหวานล้อมแต่มีเจตนาเพื่อจะให้เขามาสร้างให้นี่เขเรียกพูดเป็นเลดพูดเป็นนยายควรไหมพระทำอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงการเรียอะไรตรงๆการทํานิมิตหมายการทำนิมิต ใ, ให้ทายโยเขาเข้าใจจุดมุ่งหมายของตนเนี่ยในปัจจัยในจีวรเป็นต้นเนี่ย เว้นไว้แต่ยอมเขาโบาราไว้เนาะแม้เขาโบกราก็ต้องรู้กาลันควรไม่ใช่ขอแต่พืชะพือเลยการพูดเป็นในในการพูดไม่พูดระบุโดยตรงนะแต่พูดให้รู้จุดหมายการปรากฏชัดเจนพูดเล่นว่าพูดโดยอ้อมการทำกายการทำวาจาเป็นมีดหมายเป็นต้นนะทั้งหมดเนี่ยย่อมเออมันมีเรื่องเกิดขึ้นเขาบอกว่า สมัยหนึ่งท่านภาษาลิบุตรเนี่ยท่านท่านอาพาธท่านก็ไปเข้าพระสมาบัติอาาร่าจผลสมาบัติอยู่ในป่าแห่งใดหนึ่งตอนกับพระมหมาโมคคลานะท่านก็เกิดอาพาธลมก็เสียดในท้องขึ้นอย่างแรงท่านเกิดทุกเวทนาเมื่อในครั้งนั้นพระมหมาโมคคลานะเทเรไปปฏิบัติท่านเวลาเย็นเห็นพระเทเรนอนอยู่ก็สอถามเรื่องนั้นๆได้ถามว่าท่านครับเนี่ยคั้งก่อน ท่านหายด้วยเภสัชอะไรท่านกินยาอะไรถึงหายพระเถรซาก็ตอบว่าเมื่อ ย, ยังเป็นคารวาสอยู่มารดาของผ ม, มผสมเนยนะเนยใสายบางน้ําพึง่งแล้วก็น้ําตากลกรวดกวา ด, ดเป็นต้นแล้วก็ให้บริโภคก็คอเอาไปผสมกับข้าวยาข้าวปลายาตเนี่ยหุงด้วยด้วยน้ำนมล้มล้วนก็คือไม่ไม่ผสมน้ำเอาน้นํานมเลยผมหายจากโรคเพราะข้าวปลายาตอย่างนั้นแหละข้าวปลายาดที่ผสมด้วยเนยใสยผสมด้วยน้ําพึง่งแล้วก็น้ําตากลกรวดเนี่ย แล้วก็อามาผสมมาละหูแต่ไม่ใส่น้ำว่า ง, งั้นผมเนี่ยหายจากโรคเพราะอาการแบบนี้เพราะเพราะเพราะยาแบบเนี้ฝ่ายพระโมคคารานะเทระก็พูดว่าเอาเถอะท่านถ้าบุญของกับผมหรือของท่านมีอยู่พรุ่งนี้เราคงจะได้เห็นไหมเออเนี่ยเราบาเพ็ญบารมีเอ่อบเพ็ญ ท, ทานบารมีมาเป็นต้นถ้าบุญผมก็ดีบุญท่านก็ดีมีอยู่เนี่ยพรุ่งนี้ไปวินอบัติได้ ย, ยมก็ต้องใส่แต่ในขณะที่ท่าน สนทนากันอยู่ในเทวดาที่อยู่ต้นไม้ท้ายที่จงกลมเนี่ยฟังพระเทลรสององค์นี่สนทนากันก็คิดว่าพรุ่งนี้เราจะบรรดาเนี่ยชาวบ้านเอาปายาตัวเนี้ยมาถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าท่านใดนั้นก็ไปยังตะกูลอุปถาของพระเทลรเข้าสิงบุตรคนโตเล ย, ยเนีย้ทำให้บีบทำให้เกิดความทุกข์ิ่นป๊อปๆขึ้นมาเลยว่างั้นเถอะเทวดาก็กล่าวกับญาติของเขาที่มาชมนมกันเนี่ย ทักว่าทําไงก็ไม่หายก็เลยกล่าวบอกว่าถ้าพวกท่านจัดเตรียมข้าวปลายาชเช่นนี้บอกหมดเลยนะผสมอะไรทํำยังไงบอกเว็ดเสร็จบอกว่าเออเนี่ยจะผสมอะไรผสมเนยใส่น้ําผึ้งแล้วก็น้ําตาลกรวดเนี่ยนะแล้วก็หุงห้ามใส่น้ํำนะคนว่าเงี้นเอาถวายแต่พระเทราในวันพุ่งนี้ฉันจะปล่อยเขาว่าเงั้นนะญาติเหล่านั้นก็รับคาว่า บอกว่าถึงท่านไม่บอกพวกเราก็ถวายพิกขาแก่พระเถระเป็นประจำอยู่แล้วบอกงั้นเถอะญาติโยมก็พูดกันอย่างนั้นเพราะตอนเชา้าตู่พระโมกคานะกลับมาเนี่ย น, นะมาบินท บ, บาทก็นิมนต์ทางนี้บกงั้นเถอะนกว่าแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านมนุษย์ทั้งหลายโอ้โหพากันมาเยอะแยะหมดเลย ถวายข้าวปลาญาติอย่างนั้นเต็มเลยพระเถระแสดงอาการที่จะไปมนุษย์เหล่านั้นก็เรียนว่านิมนต์ท่านฉันเถนะิดพวกกับผมจะถวายข้าวปลาญาติอื่นอีกให้พระเถระฉันเสร็จแล้วก็ถวายจนเต็มบาทอีกพระเถระก็ไปหาภาษาลิบุตรก็น้อมข้าวปลาญาตินั่นแหละไปถวายแล้วพูดว่าท่านสาษลิบุตรนิมนต์ท่านฉันภาษาลิบุตรเห็นข้าวปลาญาตินั้นแล้วก็พิเคราะห์ดูด้วยกําลังญานปัญญาของท่านน่ยอภิญญาญาณท่านโอ้ข้าวปลาญาตดน่าพอใจยิ่งนัก เกิดขึ้นมาได้อย่างไรหรือพอใช้กำลังอภิญญาพิจนารณาปุ๊บปุ๊บปุ๊ บ, บเห็นเลยโอ้ขันเห็นมูลเหตุแห่งข้าวปายานันแล้วออเทวดาไปบังคับเข้ามาท่านก็บอกว่าท่านโมฆราณนะบินาบานี้ไม่ควรแก่การบริโภคท่านพระโมคราณนะเถระไม่ก่อให้เกิดความคิด ไม่พอใจว่าเอ้ยภาษาอริบุตรเนี่ยไม่ยอมฉันบินยาบาด ท, ที่คนอย่างเรานํามาถวายก็ได้จับบาด ท, ที่ขอปากแล้วก็เทความลงในที่สมควรแล้วก็ด้วยคำคำพูดพูดเดียวอับก็บอกเอ้ยท่านไม่อยากฉันก็เททิ้งเลยก็เลยเททิ้งไปอาพาธของพระเทราได้หายไปพร้อมกับข้าวปาญาตตกลงถึงพื้นดิ น, นจําเดิมแต่นั้นมาตลอด40พรรษาโรคนั้นก็ไม่เคยเกิดกับพระเทราอีกเลยเนี่อันนี้สงององคอะไร อันี่สศีลที่ท่านรักษาไว้ดีเพราะใค่ไม่ฉันเขาใหญ่ยังที่วอาหารที่ได้มาโดยการทําเลสเนี่ยทำเลสหลังจากนั้นพระเทเรซก็กล่าวกับพระโมคคารนะว่าท่านโมคคานะข้าพายาที่เกิดขึ้นเพราะสายวาจีวินยัติการบอกให้รู้ด้วยวาจาไม่สมควรแก่ฉันแม้ไส้ของฉันจะไหลออกมาเ ท, ที่ยวหา ก, กินอยู่ที่พื้นแผ่นดินก็ตามท่านก็นไม่ยอมฉันอาหารนี้เป็นเด็ดขาด ท่านก็ะลิเปล่งอูทานบอกว่าถ้าว่าเราจะฉันข้าวปลาญาติข้าวมะทุปาญาติที่เกิดจากการเปล่งวจีวินัตินิสัอาชีวะของเราก็จะพึงถูกผู้รู้เนี่ยตำหนิตีเตียนได้แล้วก็แม้ไส้ของเราจะไหลออกมาเที่ยวหากินอยู่ข้างนอกเรายอมเอาชีวิตเข้าแลกจะไม่พึงทำลายอาชีวะปริสุทธิศีลเป็นอันขาเดเดขาดมยท่านแข็งศีลของท่านแข็งแรง แข็งแรงหรือไม่แข็งแรงใจของท่านแข็งแรงมากแต่ว่ระหว่างศีลกับชีวิต ท, ท่านเอาอะไรเราจะทําจิตของเราให้ให้พอใจหลีกเว้นอเนนาการแสวงหาอันไม่สมควรและไม่กระทําอเนชาที่พระเจ้าทรงรังเกียจเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเออเดียวกล่าวอีกเรื่องหนึ่งก็คยอพอพูดถึงในเรื่องนี้ ทำให้ผมนึกถึงเรื่องนึงอันนี้เรื่องที่จำได้นานแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลืมเล่าไว้สเสลยเออมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือมีสองสามีภรรยาเนี่ยสองสามีภรรยาเ็ า, าก็เป็นคนจนถวายอาหารแก่พระหนุ่มเนรน้อยในรังการทวีบเนี่ยท่านก็ทำอาหารแต่นี่อาหารที่ไม่ดี เป็นอาหารที่พอเป็นอาหารที่ไม่ดีแต่นี้ก็พระหนุ่มเนียนน้อยได้ไปแล้วโดยเฉพาะพระใหม่ๆทั้งหลายได้อาหารไปแล้วก็ทิ้งเลนะเพราะอาหารสมัยก่อนมันเกิดขึ้นเยอะก็คือทิ้งจนทิ้งบ้างอะไรบ้างวายภรรยาก็ไปบอกกับสามีบอกว่าพ่ออาหารของเราเนี่ยพระท่านไม่ฉันนะ่พระหนุ่มเนียนนะ้อยเนี่ยท่านขว้างทิ้ง คือคือบางทีได้อาหารที่ห ย, ยาบๆอาหารที่ไม่ดีอเดินไปยังไม่พ้นหน้ายอมเลยจับยอนทิ้งเลยยอนทิ้งต่อหน้ายอมพ้นได้อาหารเยอะจัดเลยนะฝ่ายภรรยาก็เลยมาเล่าให้สามีฟังพอสามีฟังปุ๊บสามีก็บอกว่าแม่อย่าไปโกรธพ่อท่านเลยเป็นพ่ออาหารขเขาหรอไม่ดีจริงๆเอาเธอ สักวันหนึ่งท่านจะต้องรับอาหารของเราแล้วไปบริโภคให้ได้โอ้โหเห็นไหมจิตใจของญาติโยมในขนาดนั้นเลยเนะี่ยซึ่งคนที่จะมีสภาพจิตใจอย่างนี้ได้เนี่ยไม่ธรรมดาใช่ไหมที่ไม่โกรธพระเลยไม่โกรธนักบวชเลยแต่ทุกวันเนี่ยลองดูดิครับถ้าใครไปเตะอาหารยมทิ้งตัวหน้าตัวตาเนี่ยสงสัยแล้วโกรธกันตายเลยใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยนี่ต่อมาพ่อก็เริ่มขนขวายน่ะเขาก็เอาลูกสาว ให้ไปอยู่กับเศรษฐีแล้วก็ขอวัวมาตัวได้แม่วัวพันดีมาเนี่ยก็มารีดน้ํานมโอ้โหแต่เนี้ยนะไปแรกแล้วจากลูกสาวคนนี้ยได้วัวมารีดน้ํานมโอ้โหแต่นี้ทําข้าวมาทุกปายาติได้แล้วที่มีน้ํานมน้ําผึ้งน้ําอะไรน้ ำ, นำอ้อยทั้งหลายลเนี่ยผสมเป็นอาหารชั้นเลิศของคนในยุคนั้นแล้วโอ้โหแต่เนี้ยภรรยาเวลาใส่บาตอนเช้านี่ผ้านมเน้นน้อยมาเต็มหมดเลยแต่เนี้ยนะ เจออาหารดีๆโอ้พา ด, ดีใจก็เลยบอกกับสามีว่าโอ้ยเนี่ยผ้าหน่มเนียนน้อยมารับอาหารของเราเต็มไปหมดเลยพ่อเอา เ, อเนเลฝ่ายสามีก็บอกกับแม่ที่เราสามารถถวายอาหารได้อย่างนี้เพราะเรามีลูกสาวดีทั้นั้นเราอย่าประมาทในอาหารและบิณฑบาตอย่าอย่าประมาทในทานของเราเดี๋ยวพ่อจะไปทํากิจในการที่จะหาเงินมาถ่ายลูกนี่ย แล้วก็สอนภรรยาวายประมาท ใ, ให้ให้ทานรักษาศีลเจริญทานศีลภาวนาให้ติดต่อและต่อเนื่องพอจะไปทำงานแล้วหาเงินก็ออกจากหมู่บ้านนั้นไปไปจังหวัดไปรับจ้างตัดอ้อยครับในยุคนั้นโอ้โหไปนานเลยครับในยวะว่าไปตั้งเป็นแรมปนะีกว่าจะหาเงินนะเพื่อมาถ่ายเนะี่ย ในยุคนั้นเนี่ยสิบสองกหาบรณาเนี่ยโอ้โหเยอะมากเหมือนสิบสองเหรียญเนี่ยเหมือนกับเรื่องเงินยูโรที่มันมีค่าสูงๆในยุคโน้ น, นในปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นสิบสองยูโรเนี่ยโอ้โหมากจริงๆอะเนเหมือนอย่างนั้นแหละครับเหมือนอย่างนี้ได้มาสิบสองกหาบณาสิบสองเหรียญ น, นี่เลยหนึ่งกหาบณาเนี่โอ้โหซื้ออะไรมาย่างมาแยกเป็น รายละเอียดในการซื้อขายเลยได้เยอะโอ้โหพอได้เงินแล้วก็เอาห่อพกมัดเดินชื่นใจและจะกลับบ้านแล้วในระหว่างที่เดินทางมาเรื่อยๆๆๆเนี่ยมาเจอพระสิตอนนี้เจอพระเดินพระท่านก็ฉันเช้าเสร็จแล้วก็เดินมาเนี่ยโอ้โหจิตใจที่พองโตเลยครับเพราะในความที่ว่าไม่เคยได้เห็นพระ พอได้เห็นพระเราชื่นใจมากลีบ ก, กึ่งวิ่งกึ่งเดินเนอะมาคุยกับพระถามท่านจะไปไหนพระท่านบอกจะไปนี่แหละ ว, วัดใหญ่นี่แหละไปไหว้พระเจดีย์ยมก็บอกโยมก็จะไปทางนั้นเหมือนกันก็นกคุยกันไปอย่างเงี้ยคุ ย, คยด้วยความบอกโอ้ยยมไม่ได้เห็นพระมานานแล้วก็เล่าเล่ า, เ ล, าเล่าไปไปไปมาในระหว่างที่เดินเดินเดินไปมันใกล้จะถึงไอ้เพนนี้ ย, ยม ก, ก็ถามว่าเออพระคุณเจ้ายังไม่ได้ฉันมาอวยยัง่ง งั้นยมเป็นพระยอมยอ ม, ยมนิมนต์ก็เดินไปเรื่อยๆก็หาอาหารนี่แหละก็ไปเจอยมคนหนึ่งเดินมาและมีหาอาหารถือห่ออาหารเดินมาไกลๆนี่ยก็เลยนิมนต์ในพระท่านหยุดท่านก็เรียบุบาี่ก็วิ่งไปวิ่งไปเบีเสร็จด้วยความที่ศรัทธาในพระรัตนตรัยนี่นะครับก็เอาบอกว่าขอซื้อข้าวหนึ่งหอ่อเอาเงิน 1กะหาปณะเลยซึ่งข้าวห่อนั้นโอ้โหเงินหนึ่งกหาปณะนี่สามารถซื้อได้ต้งเป็นไม่รู้กี่สิบไม่รู้กี่ก็เลี้ยงพระได้จะเป็นห้าสิบหกสิบไอ้สักสามสิบสสิบองค์ก็ได้ใช่ไหมแต่ซื้อห่อเดียวเนี่ยด้วยความที่ศรัทธามันเกิดแล้วครับอุยอมคนนี้ก็นึกในใจแสดงมีเงินใ น, นี่คนนีเ้เราไม่เอาใช่ไหมก็เลยบอกไม่ขายหรอก อุบาสกนี่ก็เลยบอกว่างั้น2ก็หาปัะนาะใช่ไหมทำไรไอ้บอกว่าไอ้คนถือข้าวมาก็บอกไม่ไม่ขายงั้น3ก็ไม่ขาย4ก็ไม่ขายดูทีเนี้ย5 6า8 9 10 11 12ไม่ขายอุบาสกที่ก็อ้อนวอนบอกบอกคุณครับผมมีแค่นี้แหละจงเอาบุญด้วยกันเถอะ ผมไม่ได้เอาไปเพื่อประโยชน์แก่ตนเองเลยไปเพื่อประโยชน์แก่พวกคุณเจ้าด้วยแท้โอ้พอบอกเอาบุญใกนการอุบาสิกพั้งนั้นก็ขายให้เห็นไห้สิบสองกหาปะนะ่ะพราะได้ข้าวมาโอ้โหได้ห่อข้าวได้อาหารมาตื่นเต้นไหมปรีติปลาโมดตื่นเต้นมากพอมาถึงก็ซุดคุกข่าวลงนะ่ยคอยพระเปิดอาหารเจอเปิดเปิ ด, ปดบาทพระขึ้นก็เปิดก็บรรจงใส่กําลังเทเทเนะี่ยพระก็จะปิดฝาบาทใช่ไหม ว่าพระขอรับครึ่งหนึ่งอ่ะอีกครึ่งหนึ่งยอมจะได้บริโภคยอมก็บอกท่านก็รับโปรดอนุเคราะห์อยอมด้วยยอมมีศรัทธาจะถวายทั้งหมดพระก็รับทั้งหมดแล้วก็ปูอาสนะยอมก็นั่งดูพระก็ฉันอย่างนั้นน่ยฉันยอมก็นั่งคิดพิจารณาโหวกว่าเราจะได้เงินมาเข้าใจใช่ไหม กาจะได้เงินมาด้วยความเรี่ยวแรงด้วยกําลังด้วยความเพียรเป็นแรงปีเนี่ยเนี่ยเราได้ให้อายุแก่ท่านได้ให้ผิวพรรณแก่ท่านได้วันนะบแก่ท่านให้ความสุขแก่ท่านให้กําลังขอให้ท่านเป็นให้ท่านมีสติปัญญาในการฝึกฝนพัฒนาตเนเองในการบรรลุอริยมรรคอริยผลพิติเกิดนะครับพิติเกิดนโ ย, ย้มเนี่ยพิธีเกิดไอ้ทำลายมัชชลิยะในี่ใจใจได้ลองคิดดูนะกุพาศกอย่างเนี้ย พระก็ไม่รู้เลยว่ากระบวนการความเป็นมาอย่างไงฉันเสร็จปิดบาทล้างบาททํากิจเสร็จก็เดินกันต่อไปเดินเดิ น, ดนที่พอจะไปถึงทางแยกอที่จะขึ้นวัดแล้วก็ยอมก็จะเก็บพระท่านก็เอะใจถามนะเอ่วยอมมาอย่างไงเนี่ยมาไม่เคยรู้ประวัติยอมเลยนะยอมเล่าหน่อยได้ไหมยอมก็เล่าเลยยอมเป็นคนยากจนอยู่กับสามีอยู่กับภรรยามีลูกสาวคน ใส่บาทพระไม่ฉันเตะทิ้งเอาเอาหารคว่างทิ้งยังไงต่อมาเอาลูกเล่ารายละเอียดหมดเลยนะไปอยู่กเกษตรถีได้วัวมาแม่วัวมารีดนมเนี่ยต่อมาตนเองขนขวายที่ไปรับจ้างตัดอ้อยได้เงินมาเนี่ยรายตามรายละเอียดทั้งหมดพอเล่าเล่ า, ลาไปเบีดเสร็จจนถึงได้ซื้ออาหารมา12กรนะหาปรนณะแล้วก็ถวายคุณเจ้าชื่นใจมากพระทาไง ถ้ายังเป็นบุตรชนอยู่ไอ้อาหารที่กินเข้าไปเนี่ยเหมือนถ้บวิ่งขึ้นมาไหมถ้าท่านท่านจะคิดยังไงท่านจะมีความรู้สึกยังไงเนี่ยฮะถ้าท่านจะคิดยังไงเนี่ยความคิดที่ท่านจะไปไหว้พระเจดีท่านหยุดเลนดีท่านบอกยมงั้นอาตมาขอแยกจากยมตรงนี้ท่านเดินลัดเลยท่านมองเห็นภูเขานี่นะครับ ภูเขาตรงหน้าท่านเดินเดินลัดปุ๊บปุ๊ปปไปท่านไปเห็นภูเขาท่านเข้าไปอยู่ในถ้ำนะกวาดลาดอาสนะเบียเศท่านบอกว่าคนเช่นเราเนี่ยถ้าไม่ได้บรรลุมากผลก็ตายมาในถ้ำนี่มันไม่ควรแล้วมันไม่ควรที่จะออกไปไงคือคอพิจารณาถึงอาหารอาหารที่ได้มา แล้วมาพิจารณาถึงความเหน็ดเหนื่อยของญาติโยมพิจารณาถึงกว่าจะได้มาซึ่งอาหารแล้วอาหารมันอยู่ในท้องแล้วฉะนั้นเราจะทําอาหารนี่เอาอาหารนี่เป็นปัจจัยในการที่จะพัฒนาสุสีนสมาธิปัญญาเราจะบรรลุให้ได้ถ้าบรรลุไม่ได้ก็ตายมันตรงเนี้อย่าออกไปพบหน้าผู้คนอีกเลยว่ามันถ้ามันอนุเคราะห์มันทำทานกุศลของเขาทําการเคารพ บูชาของเขาของคารวาสเนี่ยให้มีผลมากมีอสงุมากไม่ได้แล้วก็ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ยครับเนี่ยท่านเริ่มพิจารณาคำว่าอาชีวะปริสุทธิ์นี่เคารบในอาหารวินเทบะขวนขวายเต็มที่เลยครับทำขวนขวายอาหารไม่ได้กินนะจับอาหารขวนขวายขวนขวายในการฝึกผลพัฒนาศีลพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญาเจ็ดวันนะ บ, บรรลุเลยท่าน ท่านบรรลุจริงๆด้วยโอ้โหพอบรรลุเบสเสร็จแล้วท่านก็พิจารณากระแสชีวิตของท่านอ๋อท่านจะต้องป ร, รินิพพานวันนี้อายุท่านหมดแล้วท่านก็เลยมาพิจารณาว่าเอาละเราจะทําให้มันปรากฏขึ้นท่านก็เก็บอาสนะเก็บเลยเบสเสร็จแล้วรลบริขารเดินสู่วัดใหญ่ เ, เดินเดินเข้าไปที่วัดใหญ่พอเข้าไป พิสูจก์อยู่กันท่านก็ไปตีละครับนะ ต, ตีละครตีละครเรียกพระประชมุมพระก็พระเถระพระทั้งหลายเหล่านั้นในวัดนั้นเป็นเรือนพันนะครับมาประชุมกันเพื่อผมไปที่ลังกาเนียครับเาเรียกวัดถูปารามนวัดเนี้ตามตำราบอกว่าพิสูจสงเนี่ยนั่งประชุมกันนะ ในเสนาะในที่ที่พระที่บริเวณนั้นทั้งหมดเป็นพันๆ น, นะที่อาสนะไม่มีอาสนะไหนเลยที่บุคคลหรือพระภิกษุที่ไป น, นัง่งตรงนั้นจะไม่ได้บรรลุธรรมกันขนาดนั้นคนบรรลุกันเยอะมากในใ น, ในเสนาการพระก็มาประชุมกันก็ถามว่าใครตีละครั้งมาประชุมกันเรือนพันท่านก็ประกาศขึ้นมาบอกว่าข้าพระเจ้ากับผมเองเป็นผู้ตีละครั้ง พระเถระในที่นั้นก็ถามบอกว่าท่านตีละคังด้วยเหตุผลอะไรท่านก็บอกว่าท่านทั้งหลายบอกว่าออท่านที่นั่งอยู่ในที่เนี้ยถ้าท่านผู้ใดเนี่ยสงสัยในมรรคผลนิพพานให้ถามเข้าไปเอาได้พระเหล่านั้นพากันนั่งเงียบหมดพระเป็นพันรูปนี้นะครับนี่แปลว่าอะไรเออทุกคนเนี่ยเข้าถึงการบรรลุ หมดแล้วแล้วท่านก็เลยเล่าว่าท่านจะมาปรินิพพานที่ตรงนี้ว่างั้นท่านก็บอกลาพระเถระเบีดเสร็จบอกลาพระสงฆ์เบ็ดเสร็จแล้วท่านมปรินิพพานก่อนนี้ท่านก็บอกรายละเอียดก่อนว่าเหตุผลที่ท่านได้บรรลุมาอย่างไรย่งไรเล่าเรื่องให้ท่านแล้วท่านก็นอนปรินิพพานก่อนที่ท่านจะนอนปรินิพพานนั้นมีเขาเรียกว่าเป็น เขาเรียกเป็นเรือนแก้วเป็นเหมือนเรือนแก้วเป็นลักษณะเป็นมนดบเป็นเรือนแก้วลอยมาจากลอยมาจากบนสวรรค์ลอยลอยพอลอยลงมาวางวางอยู่ตรงตรงตรงนั้นใกล้ๆเชิงตะกอนเนี่ยพอลอยอยู่ตรงนั้นพอมาถึงตรงนั้นท่านก็นอนบริญพานอยู่พอท่านนอนบริพภานเสร็จแล้วพระเถระก็จะพากันปรงศพท่านโดยการยกศพเพื่อเข้าไปสู่ในเชิงตะกอนนั่นเอง ยกไงก็ไม่ขึ้นยกไงก็ไม่ขึ้นไปไปมาเรื่องนี้ก็เลยว่าเอ๊ะเรื่องนี้ต้องแจ้งแก่พระราชามากษัตร์ในยุคนั้นแล้วก็เลยให้คนไปอัญเชิญพระมากษัตร์มามาณที่นี้มากษัตร์มาก็ไม่สามารถที่จะยกศพพระเทละเนี่ยขึ้นสู่เรือนแก้วไอ้ตรงนี้ได้พระกษัตร์ก็เลยถามบอกว่าเออพระเทละก่อนที่ท่านจะปรินิพานเนี่ยท่านเล่าเรื่องอะไร พระก็เลยเล่าไปฟังกษระสัดก็เลยให้ทหารถ้าอย่างนั้นคนที่จะสามารถปรองศบท่านได้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นอุบาสกท่านก็ให้ทหารไปตามหาอุบาสกคนนี้ทหารก็ไปตามหาแล้วได้พอเจออุบาศกนี่มาท่านก็ร้องให้ท่านจำได้วันนี้แหละใช่แล้วท่านาากา็มากราบมากราบท่านตั้งจิตอธิษฐานกราบพระเถระแล้วเขาให้ท่านเป็นผู้ให้อุบาสกนี่เป็นคนยกศพพระเถระ พอท่านอุบาสกนี้เอามือไปแตะพระเถระศพพระเถระก็ลอยลอยไปที่เรือนแก้วเนี่ยพอลอยไปที่เรือนแก้วเรือนแก้วก็ลอยไปที่เชิงตะกอนพอไปถึงเชิงตะกรพวกไฟก็ติดขึ้นเนี่ยโอ้โหอัศจรรย์เนี่ยต่อมาให้สังเกตด้วยนะทําไมท่านทำอย่างนี้นท่านอนุเคราะห์อุบาสกอุบาสกเนี่ยต่อมาพระราชาแต่งตั้ง อุบาสกนี่ให้เป็นมหาหมา์ใหญ่นะทำราชกิจเนี่ยนี่ผลของผลของทานกุศลที่ให้ผลภายในเจ็ดวันเขาจะยอะเนี่ยเห็นไหมจากที่คนจนสุดๆเนี่ยอยู่ยกสถานภาพขึ้นมาเป็นระดับขราบดีเป็นอหมาตในของพระราชาในเมืองนั่นทันทีนี่เล่าให้ฟังว่านี่แหละคือว่าอาชีวะปริสุที่ศีลเนี่ย เป็นปัจจัยแก่การดําเนินศีลสมาธิปัญญาเป็นปัจจัยแก่บรรลุมากผลเนี่ยฉนันอาหารและบิณนาบ่า ท, ที่พวกเราไปรับมาแต่ละมื้อแต่ละมือ้อท่านในพิจารณาอย่างนี้ไม่ประมาทในอาหารและบินนบาตให้พิจารณาว่าที่มันไปอยู่ในท้องเราแล้วเนี่ยไปอยู่ในกระแสชีวิตตอนนี้มั น, นหล่อเลี้ยงเป็น Uh. ดินน้ำฝ่ายลมสีกิดรถโอชาเป็นวิตามินทั้งหลายที่วิง่งไปหล่อเลี้ยงตามกระแสชีวิตไปหล่อเลี้ยงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตวิจตับปอดทั้งหลายของเราเนี่ยให้แข็งแรงแล้วเนี่ยนี่เราจะเอาอาหารนี่เป็นปัจจัยเกื้อนหนุนแก่การบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาสามารถทําลายกิเลสและกองทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้อย่างไรถึงไม่ได้ก็ให้มันพัฒนาไปเรื่อยๆๆถ้าอย่างเงี้ก็ชื่อว่าอาหารนั้นเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนได้จริงๆ พอยาบอกออกใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้นี่แหละคือเรื่องของศีลเรื่องอาชีวะปริสุทธิศีลของของนักบวชเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของอาชีวะปริสุทธิศีลเนี่ยถ้ามองในแง่ของอาชีวะมีเนื้อหาที่ควรแก่การที่จะพิจารณาค่อนข้างเยอะนะ ถ้ามุ่งเน้นกาเกณฑ์อย่างต่ำที่วัดด้วยความต้องการแห่งชีวิตของคนก็คือมุ่งไปที่คนต้อมีปัจจัยสี่เพียงพอที่จะเป็นอยู่นี่เป็นการถือเอาถือเอาคนเป็นหลักไม่ใช่ตั้งเป้าหมายไว้ควรมีวัตถุพลั่งพร้อมบริบูรณ์ซึ่งเป็นการถือเอาตัววัตถุเป็นหลักประเด็นก็คือว่าจะเห็นได้ว่าในหลักธรรมที่เกี่ยวกับการปกครองเช่นกําหนดหน้าที่ของพระเจ้าจากักรพรรดิข้อหนึ่งว่าเจือจานและเพิ่มทรัพย์ให้แก่ชนผู้ไร้ทรัพย์ ก็ยังก็หมายความว่าบุคคลที่เป็นพระเ้าจักรพรรดิเป็นพระราชาทั้งหลายก็คอยดูแลไม่ให้มีคนขัดสนไม่ให้มีคนอดอยากไม่ให้คนยากไร้ในแผ่นดินพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือความสำเร็จในด้านอาชีวะหรือเศรษฐกิจของผู้ปกครองก็ต้องวัดความไม่มีก็คื อ, คอสามารถกาจัดความยากไร้ไม่ใช่วัดความมีทรัพย์ เต็มพระคลังหลวงแล้วก็เต็มล้อนอยู่หน้าที่นั้นหรือที่ใดที่หนึ่งไม่ได้วัดอย่างนั้นเราจะสังเกตได้ว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะเนี่ยท่านบำเพ็ญบารมีมามากพระโอริสตถเนี่ยและท่านในยุคของท่านเนี่ยด้วยกำลังบุญของท่านที่บำเพ็ญมาประชากรในชมพูทวีปไม่ต้องทำมาหากินอาศัยกําลังบุญของท่าน อาศัยกําลังบุญของท่านเนี่ยเลี้ยงคนได้ทั้งประเทศนี่ขนาดนั้นเลยนะถ้าไปดูในมหาสุทัศนสูตรเนี่ยจะเห็นชัดเลยเห็นไหมกําลังบุญของพระโพธิสัตว์เนี่ยสามารถดูแลคนได้ทั้งประเทศก็ดูแลกันอย่างนั้นตลอดเลยฟังกันเถอะในประเทศนั้นไม่มีคนยากจนเลยนั้นประชากรไม่ต้องทำมาหากิน ประชากรอยู่เย็นเป็นสุขมีอาหารการบริโภคได้ข้อมูลได้ความรู้ให้ทุกอย่างนะให้ทั้งอาหารเครื่องนุ่งหม่มให้ยาเขาไม่มีคู่ครองหาคู่ครองให้แล้วก็ให้ข้อมูลความรู้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะเราจะเห็นเห็นชัดว่าเออพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมีกำลังบุญมากก็จะเป็นไปในลักษณะนี้ ออถ้าได้เกณฑ์อย่างต่ำนะไม่ต้องปรากฏว่าท่านจะรังเกียจในการที่จะมีทรัพย์มากน้อยเท่าไรหรือเท่าเทียมกันหรือไม่เพราะเรื่องนี้ปัจจัย อ, อื่นเนี่ยถ้ามองอย่างหนึ่งก็คือว่าประการที่2ความมีปัจจัย4พอแก่ความต้องการของชีวิตหรือแม้มีวัตถุพลังพร้อมบริบูรณ์ก็ตามมิใช่เป็นจุดหมายในตัวมันเองนะเพราะเป็นเพียงขั้นศีลเป็นเพียงขั้นวิธีขั้นตอนสําหรับการช่วยให้ก้าวต่อไปสู่จุดหมายที่สูงกว่า ฉะนั้นถ้าเรามีอาหารมีปัจจัย4เช่นมีที่อยู่อาศัยเครื่องโน้มหยาอาหารเนี่ยมีพร้อมนั่นไม่ใช่จุดหมายสูงสุดในการที่จะบวชแม้แต่ทางชีวิตของคารวาสทั่วไปก็เหมือนกันถ้าชีวิตไปอยู่แค่ว่าจะต้องมีทรัพย์จะต้องมีที่อยู่จะมีต้องมีเครื่องโุ้งหยาจะต้องมียานพาหนะถ้าชีวิตไปจมอยู่แค่นั้นน่ะด้านอื่นไม่พัฒนายุ่งเลยแต่ท่านบอกว่าเออเนี่ย เมื่อมีปัจจัยในทางด้านนี้แล้วเป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนต่อการที่พัฒนาคุณภาพจิตพัฒนาปัญญาเพื่อความมีชีวิตที่ดีงามและประสบความสุขที่ประณีตยิ่งๆขึ้นไปเออนี้แสดงว่ามีปัจจัย4เนี่ยเป็นปัจจัยนะเห็นไหมเขาจะมองที่อยู่อาศัยเนี่ยเขามองไม่ใช่วัตถุเสพเขามองแค่ปัจจัยนะปัจจัยที่จะช่วยให้กระแสะชีวิตเป็นอยู่ได้สะดวกขึ้นและจะได้พัฒนาด้านจิตด้านปัญญาต่อไป ขครงดื่มหอมยาอาหารในทํานองเดียวกันในทางศาสนามองในเรื่องของปัจจัยเพื่อจะได้พัฒนาเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนต่อการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาและจะได้ความมีชีวิตที่ดีงามประสบความสุขที่ปราณีตยิ่งยิ่งขึ้นไปคนบางคนมีความต้องการวัตถุเพียงเท่าที่พอเป็นอยู่และก็สามารถหันไปมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพทางด้านจิตพัฒนาคุณภาพทางด้านปัญญาแต่บางคนยังไม่พร้อมใช่ไหม ชีวิตของเขายังต้องการอยู่กับวัตถุมากเมื่อการเป็นอยู่ของเขาไม่เป็นเหตุเบียดเบียนผู้อื่นก็ยังเป็นที่ยอมรับได้ไหมก็ยอมรับได้บางคนอู้อยากจะได้ทรัพย์เยอะๆๆๆแล้วก็อยู่แต่เขาไม่พร้อมในการที่จะพัฒนาจิตไม่พร้อมที่จะพัฒนาปัญญาแต่ก็อยู่อย่างนั้นแต่ถ้าไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ไปเคารพชั่นไม่ไปป้นไปจี้ทั้งหลายวัตถุเหล่านั้นก็ยังพอรับได้นะนอกจากนั้นบางคนมีความโน้มเอียงความถนัดและความสามารถในการช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นได้ดี การมีทรัพย์มากมายของเขาก็เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ก็ยังนับว่าดีใช่ไหมก็เป็นประโยชน์ที่คําว่าสัมมาชีพเนี่ยสัมมาชีพหรือสัมมาชีวะในทางธรรมะไม่ใช่หมายเพียงการใช้แรงงานให้เกิดผลผลิตแล้วได้รับปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพเป็นผลตอบแทนมาโดยชอบธรรมเท่านั้นไม่ใช่หมายแค่นั้นนะแต่สัมมาชีพนั้นหมายถึงการทําหน้าที่หรือความประพฤติหรือการดํารงตนอย่างถูกต้อง อย่างหนึ่งอย่างใดที่ทําให้เป็นผู้มีสมควรแก่การได้ปัจจัยบํารุงเลี้ยงชีวิตด้วยเช่นการที่พิกษุน์เนี่ยดำรงตอนอยู่ในสามัธรรมแล้วก็ได้ปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านถวายใช่ไหมได้อาหารได้เครื่องดูห่มได้ยาเนี่ยก็เป็นสัมมาชีวะของภิกษุหรือการที่ลูกประพฤติตนเป็นลูกที่ดีสมควรแก่การเลี้ยงดูพ่อแม่ก็นับว่าเป็นสมาชีพของลูกอันนี้หมายถึงะ า, ารวะอันหนึ่งในการวัดคุณค่าของแรงงานแทนที่จะวัดเพียงด้าน ได้ผลผลิตหรือโดยดขึ้นสนอ ง, องความต้องการของมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นความต้องการด้านตันหาก็ได้หรือความต้องการของชีวิตที่แท้จริงก็ยังไม่แน่ดงนั้นทางธรรมะกลับมองผลอันเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลแก่ชีวิตและสังคมและความดำรงที่ดีที่เลือดของมนุษย์จะเป็นประการอะไรสำคัญเนี่ยฉะนั้นถ้ามองในลักษณะนี้ก็จะพิจารณาได้ประเด็นหนึ่งประเด็นในทางธรรมะความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับอาชีวะ และผลตอบแทนเนี่ยแบ่งเป็นสประเภทสําหรับคนทั่วไปคือชาวโลกเลยนะการใช้แรงงานในหน้าที่เป็นเรื่องของอาชีวะโดยตรงคือเป็นไปเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนเป็นปัจจัยเรื่องชีพเนี่ยแต่มองเห็นกันอยู่ตามปกติก็คือว่าการทํางานเนี่ยก็จะต้องจะได้ที่อยู่อาศัยได้เครื่องหอมได้ยาก็มีไน้หลาวัตถุประสงค์อยู่ตรงนั้นสําหรับพวกเราที่เป็นนักบวชเขาเรียกผู้สละโลกการใช้แรงงานในหน้าที่ ไม่เป็นเรื่องของอาชีวะไม่มีความมุ่งหมายในด้านอาชีวะหรือไม่ได้เกี่ยวกับอาชีวิอาชีวะเลยนะคือไม่เป็นไปเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเป็นปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพเห็นไหมการที่พวกเราดำรงทำงานทำหน้าที่ไม่ใช่เพื่อไม่ใช่ว่ามาบวชแล้วเนี่ยที่เรามาประพฤติปฏิบัติมาทำหน้าที่ของนักบวชเพื่อจะได้ได้ที่อยู่ที่ดีขึ้นได้เครื่องนึ่งหอมได้ยาี่ย อันนั้นไม่ใช่ไปวางจุดหมายเป้าหมายตัวเองแต่เป็นไปเพื่อธรรมะเห็นไหมจริงๆก็คือเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อฝึกตนเอ ง, งหนึ่งเพื่อมาศึกษาให้รู้ลําดับแรกก็คือมาศึกษาให้รู้ให้ใหเกิดความเข้าใจในเรื่องของศีลในเรื่องของสมาธิในเรื่องของปัญญามาศึกษาให้รู้สติปัฏฐานสมปัฏฐานอิทธิบาทอินทรพรพาพโภชงอริยมรรคมาศึกษาให้รู้ทุกเหตุให้เกิดทุก ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้เขาถึงความดับทุกข์นเพื่อธรรมะตัวนี้นะเนียเพราจุดธรรมะตัวนี้เมื่อเราได้รู้ได้เข้าใจในธรรมะตัวนี้แล้วแล้วก็ฝึกตนเองประดาชีวิตทั้งหลายตนเองเนี่ยให้เข้าถึงเอาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมาเข้ามาหมุนในกระแสชีวิตให้ตนเองได้ให้ตนเองได้รับความสุขจากการที่มาปฏิบัติให้ได้ศีลที่เกิดขึ้นเป็นศีลและสุขเกิดขึ้นได้จริงจริงไหมเพราะจริงๆการเป็นนักบวชเนี่ยถ้าไปดูใน สามัญญพลสูตรในทีขนณิกายสิรขัตวะพระเจ้าอาชาติสตรูถามพระพุทธเจ้าบอกว่าผลหรืออนิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการบวชของนักบวชที่เห็นประจักษ์ชัดนนปัจจุบันที่จะพึงเห็นได้ณปัจจุบันที่สามารถจะเห็นได้จริงๆมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าข้อแรก อานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากผู้ที่เข้ามาบวชในพระธรรมวินัยของพระตถาคตคือหนึ่งไม่ต้องเป็นขี้ข่าใครปกติเนี่ยก็เลยเราบอกว่าถ้ามีลูกน้องของพระเจ้าแดินของพระองค์เนี่ยมีปกติตื่นก่อนนอนที่หลังคอยรับใช้ปฏิบัติอย่างดีเลยว่ากันเถอะแล้วอยู่ต่อมาท่านผู้นี้เบื่อนหน่ายในเภศขั้นคารวะาแล้วว่าเป็นทางขับแคบเป็นตางมาของทุรีคือราค่ตัวสาวโมห oh ะชีวิตไม่ปลอดโปร่งไม่โล่งไม่เบาแล้ว ท่านผู้ น, นี้ก็ขอลาออกมาแล้วก็มาบวชไม่รับใช้พระราชาอีกต่อไปแล้วพอมาบวชแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติขัดเกาอย่างนี้เป็นต้นถามว่าพระราชาจะเรียกเขากลับไปเป็นลูกน้องอย่างเก่าไหมพระราชาบอกไม่เลยนอกจากไม่เรียกไปเป็นลูกน้องอย่างเก่าแล้วข้าพระองค์ข้าพระเจ้าจับบำรุงด้วยปัจใจศรีทุกพระพุทธเจ้ากระถามว่านี้จัดว่าเป็นอนิสงส์ของการบวชข้อแรกได้ไหมพระราชาบอกพระจเจ้ายินไหม นันอานินสงของการบวชข้อแรกก็คือว่าข้อที่หนึ่งก็คือไม่ต้องเป็นขี้ข่าใครเราอาจจะเป็นบุตรเป็นบรรย์เออเป็นบุตรโด ย, เ ป, เ, ยเป็นลูกน้องเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยหรือทํากิจการงานทั้งหลายเนยเพอเข้ามาบวชเสร็จปุ๊บเนี่ยบวชเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องไปรับใช้คารวะอีกต่อไปรับใช้ไม่ได้ด้วยเพราะอยู่ในฐานะเป็นอุดมมาพิษเอออันนี้เป็นอานิสง์การบวชว่าไม่ต้องเป็นลูกน้องใครอีกต่อไปไม่ต้องเป็นขี้ข่าใครอีกต่อไป ชีวิตเป็นอิสระภาพทางกายเรียบร้อยแล้ววัดปรงประการต่อมาพระเจ้าก็ถามพระเจ้าแนดินถามต่อว่ายังมีข้ออื่นอีกไหมพระเจ้าบอกว่าปกติประชากรในแผ่นดินของท่าน เ, เมื่อทามาหากิน เ, เสร็จแล้วจะต้องจ่ายภาษีากรใหในกบราชาใช่ไหมกราชาบอกใช่แต่มีคนหนึ่ง พอพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็เบื่อนายเพศฆรวาสแล้วเป็นพ่อค้าเป็นข้นราชารบดีก็ได้เป็นผู้บริหารใดๆก็แล้วแต่เป็นนายธนาคารเป็นเจ้าของบริษัททั้งหลายเหล่านี้ปกติจะต้องจ่ายแม้แต่ชาวนาชาวไร่ก็ต้องจ่ายภาษีก่อนจ่ายภาษีโรงเรียนภาษีที่จิงต่อมามาบวชเมื่อเข้ามาบวชแล้วเนี่ยก็ทําให้พระราชาต้องสูญเสียภาษีก่อนพระเจ้าถามว่า ออพระเจ้าเป็นดินจักมีความรู้สึกโอ้ไม่ได้แล้วต้องไปตายไ้คนที่ไปบวชเนี่ยกลับมาทํางานอย่างเก่าเราจะได้เก็บผัาสวยภาษีาก่อนให้ได้มากๆยิ่งๆขึ้นไปถามว่าพระเจ้าเป็นดินคิดอย่างนี้ไหมบอกพระเจ้าชาติตรูบอกไม่ได้คิดแล้วจะทำไงบอกนอกจากไม่คิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยยังจักรนุบารุงหรือว่าดูแลอุปถัมภ์ด้ปัจจัยสีแก่บุคคลที่เข้ามาบวชนั้นด้วย พระเจ้ากรถามบอกว่านี่อันที่สองข้อที่2ก็คือเป็นนักบวชไม่ต้องจ่ายภาษีก่อนนี่ถือว่าเป็นอันที่สองของการบวชที่เห็นประจักษ์ชัดในปัจจุบันในตาเห็นได้ในปัจจุบันได้ไหมพระเจ้าแผ่ น, นบบดินบอกพระดาเนี่ยเห็นไหมข้อที่2ข้อที่3เมื่อบวชเข้ามาแล้วนะการที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยหสุขจากการไม่ต้องเป็นลูกน้องกาย2 ส, สุขจากการไม่ต้องจ่ายภาษีกรประการที่3 ส, สุขที่ เกิดขึ้นจากสีและสุขสุขที่มาฝึกฝนพัฒนากระแสะชีวิตของตัวเองเนี่ยอยู่ในวินัยฝึกตามสิกขาบทแล้วก็เข้าสู่ความเป็นผู้มีศีลโอ้โหก็มีสุขแล้วแต่เนี้ยเจตนาศีลที่เป็นใบกับกุศลมีความไม่โลภมีความไม่โกรธมีปัญญาสามารถเว้นบาป อ, อกษณ์รกรรมมันชั่วลายได้มีเมตตาเกิดขึ้นมีกุณามีพุทตาเกิดขึ้นในขณะที่อยู่ตารงอยู่ศีลในชีวิตตนเองปลอดภัย กายก็สะอาดวิจารก็สะอาดอาชีพก็บริสุทธิ์เนี่ยพอพิจารณาอย่างนี้นะจิตใจปลอดโปร่งโล่งเบาไหมเออโล่งเบานี่ยังไงเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถามว่าอะไรเหมือนพระราชาเป็นไม่จะเป็นดินแล้วสามารถจัดการโจรผู้ร้ายที่อยู่ในประเทศได้นอนตาหลับไหมนอนตาหลับชั้นใดภิกษุที่เข้ามาบวชแล้วอยู่ในศีลสุขก็มีความสุขอย่างนั้นแหละ อันนี้เป็นผลเป็นอ น, นิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการบวชในข้อที่3ได้ไหมพระราชาบุกได้ผัแม่มีความสุขแล้วก็ไล่ต่อไปตามดับนอกจากสุขในปาริโมกสังวรศีแล้วก็พัฒนายิ่งยิ่งไปสุขที่เป็นอินเดียสังวรศีก็คือปิดบาปทางทวานตาหูจมกูกลิ้นกายใจโอ้ชีวิตปลอดโปร่งมากไม่ให้ราคาโทรศโมหะหมุนก็สุจิตมีสติสัมปชัญญะที่กากับปิดบาปได้ แล้วพัฒนาต่อไปอีกสุขที่เกิดขึ้นจากการยืนการเดินการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งมีสติสัมปชัญญะในการคลองตนสุขจากการใช้เลี้ยงอาชีพที่บริสุทธิ์ผุดผ่องดังที่กล่าวมาสครูอันนี้ถือเป็นความสุขได้ไหมพระราชาบอกโอ้ได้มากเป็นความสุขมากเขาเรียกเป็นอัพยาเศกสุขสุขที่เกิดขึ้นจากกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดไม่มีบาปปุสลทั้งหลายไปรบกวนเลยเอาพัฒนาต่อไปเดี๋ยวนี้ สุขที่เกิดขึ้นจากทาจิตให้เป็นสมาธิที่เป็นอุปจารสมาธิกําจัดกามะฉันทะความติดใจใฝ่กรกสันได้พยาบาทความเครียดความโกรธได้ทีน้ำิทา้าความหดหู่ท้อถอยได้กําจัดความฟุ้งซ่านลาคาญใจได้แล้วก็กจัดความลังเลสงสัยโอ้ถามว่าอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการบวชที่เห็นประจักษ์ชัดในปัจจุบันใช่ไหม พระราชาก็บอกว่าใช่เห็นไหมเนี่ยสักแล้วก็สุขในปฐมชาตินสุขทุติยชาตนสุขตัติยชาตนสุขเจตุทะชาตินสุขเป็นต้นในอากาสารานจายตนะสุขวิญญาณานจายตนะสุขอากิจัญญาเยตนะสุขเนวะสัญญานาสัญญาเยตนะสุขโอ้โหสุขในสมาบัติแล้วก็เป็นสุขในวิปัสนาสุขทุกระดับเลยในนามรูปปริเฉทญาณปัจจยปริขหายานสัมมสนญานอุทยะพยญาณเป็นวิปัสนาญาณที่ไปพิจารณาเห็นโลกและชีวิตตามที่มันเป็นโอ้โหคาจัดกิเลสได้เป็นชั้นชัๆนชั นี่เป็นความสุขไหมบุกสุขจนพัฒนาไปถึงมรรคสุขถอนกิเลสได้ผ ล, ลสุขสวยผลแล้วก็นิพพานสุขเป็นสุขที่สูงสุดนี่ปัจจักษ์ชัดในปัจจุบันเนี่ยระอาจารย์เลยบอกนี่ไงอริสงที่เกิดขึ้นจากการบวชที่ประจักษ์ชัดในปัจจุบันนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นภิกษุเนี่ยผู้สละโลกการใช้แรงงานในหน้าที่ไม่เป็นเรื่องของอาชีวะไม่มีความมุ่งหมายในด้านอาชีวะไม่ได้เกี่ยวกับอาชีวะเลย ไม่เป็นไปเพื่อได้ผลตอบแทนคืออาชีวะแต่เป็นไปเพื่อธรรมะแลนะในที่สุดจริงก็ผลผลพัฒนาตัวเองไปพั ด, ดุงธรรมะในโลกเลยถ้าเอาแรงงานที่พึงใช้ในหน้าที่มาใช้ในการแสวงหาปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพก็กลับถือว่าเป็นมิจฉาชีพเลยนะนักบวชเป็นอย่างนั้นถ้าใช้แรงงานในหน้าที่เพื่อผลตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีเรื่องขอปัจจัยเครื่องยังชีพนะ ไม่ใช่เป็นความประสงค์ของผู้ที่จะให้เองก็ดีก็ถือว่าเป็นอาชีวะที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นมิจฉาอาชีวะเป็นการหลอกลวงเป็นการประจบเขากินการเรียบเคียงการขู่เข็นบีบเอากาันเอาลาบต่อลาบการหาเลี้ยงชีพโดยการรับใช้เขาเช่นเป็นคนเดินข่าวก็ดีด้วยการประกอบศิละปะวิชาชีพต่างๆดูเลิกทํานายลักษณะรักษาโรคเนี่ยก็ขัดนี่เข้าเป็นมิจฉาอาชีวะสาหรับภิกษุเหมือนกันภิกษุไม่เจ็บไข้ ขอโพชนนปราณีตแม้แต่กับข้าวหรือข้าวสุกมาเพื่อตนเองแล้วฉันก็เป็นวิบัติแห่งอาชีวะเหมือนกันเอาธรรมะทำเป็นดังสินค้าก็ผิดจัญญาบรณของนักบวชเอาไปแลกเขากินเอาสิ่งดีๆไปแลกสิ่งที่ไม่ดีแม้แต่เพียงแสดงธรรมโดยคิดให้เขาชอบแล้วอาจจะได้อะไรก็เป็นธรรมเทศนาที่มีบริสุทธิ์หรือเพียงแต่การให้เขา มีลักษณะเป็นการให้ค่าตอบแทนเนี่ยเราแสดงธรรมก็ดีเป็นการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีงามเราจะได้ค่าตอบแทนเป็นต้นเหล่านี้อันนี้ไม่สมควรมีภาพรูปหนึ่งมียอมมาเล่าอีกฟังฟังแล้วก็สลดมีภาพเถลารูปหนึ่งท่านเป็นระดับเจ้าวาดป่วยไม่มีคนดูแลนี่ยอมก็เห็นว่าท่านเป็นระดับเจ้าวาดแล้วอายุก็มาก80กว่า ไม่มีคนดูแลนอนจมอยู่กองอุจจา ร, าประปัสสาวะก็เลยบอกยอมวัดในวัดนั้นบอกให้ช่วยไปหายอมมาดูแลแล้วยอมก็จะจ่ายค่าดูแลให้ไอยอมนั้นพอพูดอยนี้ปุ๊บเนี่ยออยอมที่วัดนั้นก็บอกว่ามีพระรูปนึงท่านเสนอเสนอบอกว่าขอค่าดูแลเนี่ย วันละสามร้อยบาทเป็นพระนี่นะฮะพระลูกวัดนี่นั่นแหละขอค่าดูแลวันละดูแลวันละสามร้อยบาทให้จ่ายอาทิตย์ละครั้งแล้วคันจะดูแลให้แล้วยอมก็มาปรึกษาว่าเออยอมจะทำยังไงมอฟังแล้วสลดใจัหยเออเนี่ยเอาแก่าสมุทาจารย์สถานไม่สมุทเรื่องจริงเป็นเจ้าวัดพอเกิดป่วยขึ้นมาพระลูกวัด พอขอดูแลแต่มีก้อแม่เนะยขอค่าก็ละสามร้อยยมก็อึดอัดโอ้อยงี้เป็นเรื่องฟังแล้วเศร้าจะ้ะพระก็ไม่รู้จะให้ทัศนะาความเห็นยมก็จะไปเอาให้แก่ท่านให้กับยมไปแล้วแต่ยมก็จะไปติดต่อกคบเรื่องโยมเนี่ยถ้ามองลักษณะว่าที่มาอันชอบทำและความบริสุทธิ์แท้จริงของของปัจจัยเนี่ย นี่เป็นเรื่องสำคัญมากเออมีเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปบินทบาทแล้วก็ทรงเข้าไปหยุดประทับยืนในเขตไร่ในเขตนา น, นี่ยแหละของพรามคนหนึ่งพรามก็กราบทูลบอกว่าข้าพระเจ้าไถหวานแล้วจึงได้กินเจ๊ะไหมพรามนนเนี่ยคือต้องทางานเนี่ย ต้องไถต้องหวานถึงได้กินข้าวใหมถึงได้ข้าวจึงได้อาหารกินเนี่ยแม้ท่านก็จงไถหวานและจงบริโภคเถอดนี่ท่านเห็น ไ, ไหมก็แปลว่าเนี่ยท่านก็ต้องไปไถไปหวานดิใช่ไหมท่านไม่ไถไม่หวานแล้วท่านจะไปหาข้าวกินมาบริโภคยังไงพระเจ้าก็ตรัดบอกว่าพระองค์ก็ทรงไถ่ทรงหวานแล้วจึงบริโภคเหมือนกันพ ร, พราหมณ์ก็ไม่เข้าใจ วิริยะก็ได้แต่งคาถาทูลกลับไปว่าพระองค์น่ตรัสตอบเป็นคำร้อยแก้วชี้แจงการไถ่หวานของพระองค์ที่มีผลเป็นอมตะกระูดว่าเออเนี่ยศรัทธาคือในพระศรัทธาคือความเชื่อมัน่นในการฝึกตนเองเนี่ยเป็นผานเป็นานยังไงไล่ไปตามลำดับศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ย การกระทําการฝึกผลพัฒนาตัวเองไปสู่ศีลสมาธิปัญญามีผลเป็นอมตะคือพระนิพพานเนี่ยงั้นก็คือการไถนี่แหละการหว่านนี่แหละได้ผลเป็นอมตะก็คือพระนิพพานคือการสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์เป็นต้นเหล่านี้นะในรายละเอียดไปดูเองในในสูตรเนี่ย <c oughs> ไปอยู่ในรู้สึกจะเป็นขุทักานิกายสุตตนิบาตเนี่ยพอพูดอย่างนี้ปุ๊บพามก็เห็นชอบด้วยก็เกิดความเลื่อมใส พอเกิดความเลื่อมใสก็นําเอาอาหารมาถวายพระเจ้าก็ไม่ทรงรับโดยตรัสว่าไม่ควรบริภโภคโภชนาที่ขับกล่อมได้มาเห็นไหมเ و, พราะไปขับกล่อมแต่ก่อนเขาไม่ได้ศรัทธาอะไรใช่ไหมพอไปขับกล่อมได้มาเพราะไปกล่าวคาถาขับกล่อมเนี่ยแล้วก็ทําเป็นเหตุทําให้ได้อาหารมาทําให้เขาศรัทธาอาหารนั้นพระเจ้ายังต้องให้พระเทถิงเพราะได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์เนี่ยได้มาโดยไม่ชอบทำฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่า ที่มาอันชอบทำและความบริสุทธิ์จริงของปัจจัยเครื่องยังชีพของภิกษุก็คือการที่ชาว บ, บ้านมองเห็นคุณค่าของธรรมะเห็นคุณค่าของศรรีลสมาธิปัญญาเห็นคุณค่าของฐานศีลและเห็นความจําเป็นที่จะต้องช่วยให้บุคคลที่ทําหน้าที่ผดุงธรรมะรักษาธรรมะและก็ฝึกตนเองให้เจริญธรรมะเอาธรรมะเพื่อมารักษาโลกมาผดุงโลกไว้ให้ดําเนินไปอยู่ได้ให้มีชีวิตอยู่และทําหน้าที่ต่อไป ยิงเมื่อรู้ความต้องการอาหารของสมาทานั้นแล้วอันแสดงออกมาด้วยการเที่ยวบินบาศาดโดยสงบแล้วก็นําอาหารมอบให้ด้วยความสมัครใจของตนเองโดยที่ผู้ให้และผู้ถวายนั้นได้รับผลก็คือการชําระจิตของตนเองให้ผ่องใสแล้วก็ชักนําจิตของตนเองให้เป็นไปในทางสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยแตะหนักว่าตนได้ทําสิ่งที่ดีงามก็คือการช่วยสนับสนุนผู้บําเพ็ญธรรมะ และมีส่วนร่วมในการพดุงธรรมะเรียกสั้นๆว่าทำบุญหรือได้บุญขึ้นมาทันทีเข้าใจนะฝ่ายภิกษุที่รับทานนั้นก็ถูกกำกับด้วยความประพฤติที่เกี่ยวกับปัจจัยสีอีกเป็นผู้มักน้อยสันโดษยังไงรู้จักประมาณในการรับปัจจัยสีเหล่านั้นอันตรงกันข้ามกับด้านการปฏิบัติหน้าที่เช่นการที่สั่งสอนแนะนาแสดงธรรม ซึ่งทำให้ได้มากเท่าที่จะทำได้โดยมุ่งแต่ประโยชน์สุขและผู้ได้รับคำสอนฝ่ายเดียวโดยในนี้เราจะเห็นว่าอ๋เวลานักบวชรับอาหารมาก็ยังต้องจะบริโภคอาหารหรือที่อยู่เครื่องโน้มโหนมทั้งหลายก็ต้องพิจารณาพิจารณาด้วยกำลังของโยนิโสมนัิการอย่างนี้เป็นต้ น, นเนี่ยนะเนี่ยแหละคือการที่ว่าเพื่อมุ่งแต่ประโยชน์สุขของบุคคลนะ โดยเน้นที่หลักการนะกินให้น้อยที่สุดนักบวชเนี่ขับเน้นกินให้น้อ ย, ยโดยทำงานให้มากที่สุดเนี่ยจึงจะเป็นไปได้ในสำหรับสมณะโดยที่แรงงานในการทำหน้าที่กับอาชีวะตั้งอยู่ในคนละฐานกัน อย่างไม่มีจุดบรรจบที่จะให้มีการยกเอามาเป็นปริ ม, มาณแรงงานขึ้นมาเปรียบเทียบเพื่อการเรียกร้องสิทธิ์ในด้านก็อาชีวะได้เลยและเมื่อสมณะยังปฏิบัติอยู่ในหลักการนี้ระบบของสังคมก็จะไม่อาจจะครอบงำสมณะเช่นนั้นเช่นกันก็หมายความว่าเมื่อสมณะเนี่ยกินน้อยใช้น้อยใช่ไหมไม่ไม่ฟุ้มเฟ้อไม่ใช่ชาวบ้านก็มีอย่างไงเราก็จะมีอย่างนั้นไม่ใช่เลยหลักการในนักบวชทั้งหลายเนี่ยปัจจัย4ี่เนี่ยเห็นสังเกตได้ไหมได้มาสละหมดได้มาสละหมด กินน้อยใช้น้อยแม้จะกินจะใช้ใดๆทั้งหลายก็เห็นคุณค่าแต่ทํางานหนักไหมนักบวชต้องทํางานหนักฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนั่นเนี่ยรูปแบบอย่างนี้เขาเรียกว่าความมุ่งหมายที่สําคัญก็คือการมีชีวิตแบบหนึ่งที่เป็นอิสระจากระบบทั้งหลายของสังคมนักบวชจึงมีต้องฝึกฝนเขาเรียกว่านิสสรณปัญญาเนี่ยปัญญาที่มาฝึกฝนพิจารณาเป็นอิสระ เป็นอิสระจากที่ว่าไม่ถูกสังคมครอบงําไม่ถูกชาวบ้านครอบงําไม่ถูกระบบหรือว่าปัจจัย4ี่ทั้งหลายมาครอบงําทําให้ตัวเองตกกลายเป็นทาสเป็นทาสของสังคมเป็นทาขสทาของปัจจัยสี่หรือเป็นทาสของเงินนิ่เสียหายเลยใช่ไหมนั้นนักบวชเนี่ยต้องไปมีนิสสรณปัญญากับเรื่องนี้ค่อนข้างสูงมากมองเห็นจุดหมายหรือว่าระบบวิถีชีวิตของนักบวชที่แท้จริงไหมว่าเป็นยังไง น, น, นั้นนักบวชที่แท้จริงนั้นจึงเป็นผู้มีอิสระ มากนีไม่ใช่ว่าโอ้โหชีวิตกับกลายเป็นเป็นธาตของที่อยูศัยเป็นทาตของเครื่องดุ้งห่มเป็นทาตของยาเป็นธาตุของอาหารเป็นทาตของระบบสังคมเป็นทาตของเงินโอโนี่ไม่ใช่เพราะเป็นอิสระจากระบบทั้งหลายของสังคมและมีชุมชนที่เป็นอิสระชุมชนหนึ่งไว้ทําหน้าที่ด้านธรรมะที่ต้องการความบริสุทธิ์สิ้นเชิงแกชาวโลกเลยเดี๋ยวจะมองยิ่งนะว่าชุมชนอย่างนี้เขาเรียกอริยสงฆ์ใช่ไหม ต้องการฝึกจากสมมุติสองก็สู่ความเป็นอริยสงฆ์เป็นชุมชนที่สะอาดบริสุทธิ์ด้วยเป็นชุมชนที่ไว้ทําหน้าที่ด้านธรรมะและต้องการความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแก่ชาวโลกก็จะได้บอกหลักการของชาวโลกได้ถูกต้องถ้าเราไปเกิดกลายเป็นทาตถ้านักบวชก็กลายเป็นเป็นธาตุาาาตองสังคมจะแล้วตายเลยแต่เนี้ยนะไม่มีนิสสรณปัญญาจะแล้วเนี่ยกลายเป็นทาตของอาหารเครื่องหอมยาเป็นต้นเหล่านี้เสียหายเลยนักบวช นักบวชก็ไม่สามารถจะสอนธรรมะแนะนําธรรมะให้กับคนที่กําลังมืดบอดและจมอยู่ในวัตถุกรรมด้วยพลังกิเลสกรรมเป็นต้นได้ฉนั้นจะมองในแง่ของธรรมะเนี่ยมองในแง่ของธรรมะการใช้แรงงานในทางผลิตไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุหรือการบริการก็ตามมีความมีเป็นอันมากที่ไม่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่ชีวิตและสังคมนะนอกจากที่เป็นไปเพื่อการทําลายโดยตรงเช่น ถ้าเรามองถึงสภาพสังคมโดย ท, ทั่วไปและสิ่งแวดลอด้อมโดยทั่วๆไปนี่นะเราก็จะเห็นได้ชัดว่าสภาพสังคมในทุกวันเนี้เวลามีชีวิตที่เป็นอยู่แบบไม่เป็นอิสระเนี่ยนาข้านาก็เป็นทาสของเงินเป็นทาส ข, ของเกียรติยศชื่อเสียงทั้งหลายเหล่านี้ดังนั้นถ้าเราดูถึงอาชีวะหรือความบริสุทธิ์ของนักบวชนี่สำคัญมากเลยนักบวชนั้นจึงมีอาชีวะหรืออาชีพที่บริสุทธิ์ดังั้นคำว่านิสฐานะปัญญาเนี่ยสำคัญมากเลยปัญญาที่เป็นอิสระ ถึงจะมีพวก เ, เห็นพวกมีปัจจัยมีที่อยู่อาศัยเครื่องนองห่มทั้งหลายอะไรเนี้ยแต่ก็เอาปัจจัยเครื่องนองห่มเหล่านี้มาเป็นฐานปฏิบัติการของศีลของธรรม ะ, ะเลยเนียเป็นเครื่องเกื้อกูลแกลการเผยแผ่ธรรมะไปอันนั้นก็ว่ากันอีกทีเอาและ ว, วันนี้ก็ยังไม่ได้วิจัยไปถึงในเรื่องของญาติโยมพอสมควรเกี่ยวเวลาจะ6กโมงแล้ ว, ลวขอโมทนา